นเล่นพรท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษทัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเหตุการณหนึ่งที่เราจะได้มาพบปะกันส น, น ท, น, ท, าาทาาานาธรรมกันตามการตามเวลาการเลณธรรมสาสกะชาเอตัมมังกัลมุมตัมังการได้สนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง คืนนี้เราก็จะเริ่มกลับที่จำมแมกับแจที่แอกซีราชากับมาสิกา ร, รพระอาจารย์ครับรวันังไรนั่งสมาธิ ไ, ได้นั่งสมาธิได้นานเท่าไหร่ใชไหมก็ยี่สิบห้านาทีบางวันก็สามสิบนาทีค่ะนั่งรู้สึกอย่างไรบ้างเวลานั่งก็มีความคิดบ้างสงบบ้างมีความคิดบ้างครับดีกว่าเล่นเกมไหม ก็ดีคนละแบบแสดงว่ายังยังชอบเล่นเกมอยู่นะสมาี่ยังไม่ไม่ไม่ถึงขั้นถ้าถึงขั้นก็จะไม่อยากจะเล่นเกมอยากจะเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวต้องพยายามทำไปเรื่อยๆอย่าอย่าเลิกนะเลิกนะต้องไม่หยุดนะ คงทำทุกวันนะครับโอเคไม่มีอะไรจะถามนะใช่ครับครับโอเคสาธกลับมาพุทธุณพระอาจารย์ครับเชิญที่คุณหมอพิเชนจากกรทมกลับมาสักการพระอาจารย์ครับอันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคําว่าจิตสงบจิตนิ่งและจิตกระเพิ่มครับพระอาจารย์ ก็เป็นเหมือนน้ำเลยนะเวลานิ่งมันก็จะผิวเรียบเหมืนกระจอกนะเวลาใครโยนก้อนหินเข้าไปมันก็จะกระเพื่อมเป็นมาเป็นลูกคืนจิตก็แบบเดียวกันเวลาจิตสงบนี้ไม่มีใครโยนอะไรไม่มีใครกระโดดลงไปเล่นในน้ําไม่มีใครไปทํำอะไรให้น้ํากระเพื่อม น้ำมันก็นิ่ง เ, ออเวลาเราใช้คำอะไรรมพุทโทรุทดูทลองหายใจเข้าออกเราก็กำจัดสิ่งที่มาคอยทำให้จิตกระเพื่องคือความคิดปรุงแต่งต่างพอยู่ความคิดปรุงแต่งได้ความกระเพื่องของจิตก็หายไปน้ำก็เน่งจิตก็นิ่งเหมือนน้ำออแล้วก็ใส สายสาดท่านั้นกิเลเสเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้น้ำขุนบัวทำให้จิตใจขุนบัวก็วตกตะกอนลงไปแม้วน้ำที่ตกตะกอนน้ำจะใสจิตก็ในลักษณะนั้นเนลวลาเราใช้สตินู่ลงแร้วพุโทโธนี่เป็นเรื่อนเอาเอาก้อนสารส้มมาแกว่งในน้ำสมัยก่อนใ้คุณหมอขวัญเจ้าม บางที่น้ำทิ้งเราใช้มันไม่ใสเหมือนน้าประปาสมัยนี้เราต้องไปเอาน้ําจากแม่น้ําขึ้นมาใช้แล้วก็ใส่ไปในถุงแล้วเราก็าสารส้มไปแกว่งมันสารส้มมันก็จะ ม, มีปฏิกิริยากับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้น้ําขุ่นมัวมันตกตะกอนไปแยกออกแยกน้ําไปน้ำมาใส่กิเลตันหาก็เป็นแบบ สิ่งที่มันมาทำให้จิตใจเราขุ่นบัวพอเราใช้สติพุ่นโทรหรืออนาปนาสติทำใจให้หยุดนิ่งกิเลสก็ตกตะกอนไปแยกออกจากแหมือยกออกจากจิตไปทั้งนั้นก็จิตก็เป็นเหมือนจิตบริสุดธเห็นได้ว่ามันยังไม่บริสุดแท้จริงเพราะกิเลส ย, ยังไม่ได้รับการตักออกจากน้ำไป ขั้นต่อไปก็ขั้นปัญญาปัญญา ก, ก็จะมาตัดพวกปเปลือยละออกอย่างน้ำตะกอนที่ตอกเย็นน้ำแยกออกอากน้ำต่อไปน้ำก็จะเหลือแต่น้ำใสใสจิตก็จะเหลือแต่จิต ท, ที่ใสใสบริสันต์เรี่าจิตบริสันต์นอยู่ในสมาธินี้จิตบริรสันต์เครื่งหนึ่งคือทีตายยัมีตะกอนเปลืตกตะ ก, นตกตอกเนเลลเอยแมัน ทับตัวไม่ทำมาแต่พอออกจากสมาธิมาน้่งคิดปุ่งแต่กิเลสมันก็ตามโผกไขึ้นมาแล้วก็มาผสมกับน้ำใหม่ทาให้สมกับจิตทำให้จิตผลมัวอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาส ก, กัดกิเลสออกอย่างน้ำอย่างเทามอ น, นี่ก็คือเรื่องของการภาวนา เ็ทำมห้จิตใสเหมือนน้ำน้ำที่กุนเราก็เอาสั้ท่องรับแกงก่อนพอกีเ่เหลนพอเสร็จที่ทำให้น้ําคนมัวเป็นตกตะกอนเราก็ตัดน้ำสะอาออกไปไว้ทั้งหนึ่งเดียแยกออกไปนะส่วนเราไม่ตักไอ้พวกตะกอนออกไปนะเราก็จะไล่น้ำใสสะอาดก็แบบเรียวกัน การภาวนาเนี่ยครับเพื่อทำจิตให้สายตาปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าของทั้งหลายทั้งปวงการต่อยก็ใช้สติแยกแยกจิตให้ออกจากกิเลสโดยทําให้กิเลสตกตะกอนลงไปพักตัวอยู่เช่นกัขั้นที่สองใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาพอกิเลสกำล่งจะทํางานก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายล้ว พอเห็นตาแล้วความโลภความอยากก็จะถูกบารลับไปก็เปน็นลักษณะเอากิเลสออกจากใจไปที่รัตัวสองตัวนในที่ส่วนมันก็จะทูกกำจัดออกไปหมดก็เหลือแต่จิตที่สายตาบริสุทธิ์เราก็เรียกว่านิพพานจิตนิพพานเป็นจิตที่สายตาบริสุทธิ์ เวลาที่ใจคิดไปทางกิเลสมันจะกระเพื่อมเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆถ้าเราคิดไปทางกิเลสใจมันจะกระเพื่อมแต่ถ้าเราคิดไปทางตายละมันไม่กระเพื่อมคิดไปในทางธรรมก็เป็นการกําจักดกิเลสแต่ถ้าคิดไปในทางความโลภความโกรธควา ม, วามลหลงใจจะกระเพื่อมขึม้นมาก่อนที่มีสมาธิแั้งจะรู้ ไม่ต้องถามว่าตัวไหนมันกิเลสดูที่ตัวไหนที่ทําให้ใจกับเพื่อมแล้วนั้นะเป็นกิเลสกิเลสไม่ไปเชื่อล่อกดหลมเราไปตั้งให้มันยึดใจถ้าเราไปค้นหาล่อกดหลงในใจหาไม่เจอต้องหาตัวที่มาทําให้ใจกับเรื่องเราก็เราก็จะเราก็จะรู้ถ้าเรามีสมาธิ พอใจนิ่งพอใจเริ่มก็บเพื่อนก็เปมือนใครโยนน้ําเข้าไปในในน้าน้ํามันจะเป็นกระเพื่อมเป็นคลื่นขึ้นมาดีเอคิดไปทางความงอกกอดหลงใจก็จะกระเพื่อมขึ้น อ, อาพอรู้ว่าคิดแบบนี้ไม่ได้มันก็ต้องใช้ปัญญามานลังงับมันใช้ใจลักมานลังงับมันคิดห่วงใยร่ายงกายนี่กระเพื่อมนะใจก็กระเพื่อมนะ นนคิดกังวลต่างๆโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็เพื่มเนาะคิดแบบนี้ไม่ได้ต้องไม่ห่วงไม่ต้องคังวลคิดว่านางกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่กระเพื่มอมมาพอใหญเข้าใจไหมแต่ครับเา้าใจตอนนั้นนะ่ะตอนดูจิตได้ก็ดูตอนหลังจากที่เรามีจิตสงบแล้วจิตนิ่งแล้วเอแล้วพอออกมาจากสมาีิ มันจะนิ่งต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราคิดไปในทางไหนคิดไปทางกิเลสมันก็นกรเพิ่อมพอเราคิดจรรมาทางปัญญามันก็จะสงบมันก็หายกรเพื่อมขั้นขั้นปัญญามันจะดูอยู่ตรงเนี้เขาเรียกว่ดูจิตนะดูจิตดูความคิดดูกิเลสพ อ, อกระเพิ่มอมดูว่าเป็นกิเลสแะก็ต้องใช้ปัญญามาแล้วครับ พิจารณาตายละในสิ่งที่ใจที่กลียดอยาอยากอยากหน้าหรือต้องการต่อไปใจมันยังไม่กับเพื่อนคิดอะไรไงก็ไม่กับเพื่อนเพราะไม่ไี้ไปทางเกลียดคิดไปทางความเป็นจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีต้นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราคิดอย่างนี้ใจมันก็ไม่กับเพื่อน แต่ถ่ายังเชื่อไอ้นั่นเป็นของเราอ้ น, นี้เป็นขอเราอยู่เดี๋ยวก็ก็บเพื่อนว่าอะไรมันก็เท่ากับสิ่งที่เป็นของเราเราก็จะหว่านไว้ขั้นมานนต้องไปถึงจุดสัพเพานาสตาภาวะธรรมทั้งปวงไม่มีตัวตนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ได้ยืดเอา ย, ยืดเอาไว้เป็นสมบัติของตนเองได้ไปตลอด ดูที่ใจว่ายังกระเพื่อมอยู่เป่าถ้ายังกระเพื่อมอยู่แสดงว่ากิเลสยังไม่หมดถ้าไมนกระเพื่อมมีอะไรมาก็ตทองค่าใช้คืออันนั้นก็แสดงว่าไม่มีกิเลสที่บุญญาบไวให้สักแต่ว่าเราเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเราให้เห็นแล้งกระเพื่อมกับสิ่งที่เห็นเนี่ยแสดงว่าอ ยี่แหละยังมีอยู่ขอาจารย์นะอาจารย์นะครับขอบขอบขอคุณครับอาจารยค์คุณหมอมีคำถามดีๆมาป้อนให้ให้พวกเราได้ฟังกันอยู่เลยทำามเมตตาาขอบคุณคุณหมอเป็นคนที่สั้างประเด็นขึ้นมา เหมือกับคุณหมอวีเนะี่ยเคยมาที่คุณหมอวีก็ชอบตั้งประเด็นขึ้นมาให้อธิบายให้ความติดตามหมอวีอ่ะฝากกันาที่ติดตามครับพระอาจารย์นี่ครับเพิ่งกลับไปมาอยู่มาปฏิบัติร้นเขาอยู่สองคับเห็นในเฟซของคุณหมอเหมือนกันครับ <c oughs> คงจะเล่าอะไรให้ฟังนะคระับ <c oughs> ้ทำให้นคนที่ปฏิบัติอยากจะสอนใจอยากจะมาตทนลำดูว่ <Okay. S 2> าปฏิบัติบ้านกับปฏิบัติที่มกกนททททในป่าในเขาไม่เหมือนกันครับเ <Okay. S 2> ห็นบอกว่ามาครั้นี้มาแบบมาแบบลางกระดีกินกระซายเลยไม่เอาหมอนไม่เอาเ้าผมไม่ไม่เ อ, อะไรมาเลยมาในตัวป่าๆนั่นเลยเริ่มหนาวอากาศเริ <laughs> ่มหนาวเริ่มหนาวมาดี้ <laughs> นักปฏิบัติต้องอยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้หนึ่งปัจจัยสี่นี่เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องประเด็นสําคัญแล้วมันจะ ม, มันจะน่าไม่มีประสัดเพราะสถานที่ที่เราต้องการปฏิบัติมันจะเป็นที่ทีร้านแค่ทนางหน้าปัจจัยสีพส่พอสมควรอัตคาค่าการสนทางหน้าปัจจัยสี่แต่มันมีมประโยชน์ตรงที่มันสมอง แล้วไม่มีอะไรมาลบกวนใจต่างกับที่ที่มีพร้อมน้วยปัจจัยสี่แต่มันไม่สงบมมนมีสิ่งแวดร้อมที่บระทึกครกคนตลอดเวลาคนที่ต้องการธรรมะจึงต้องเป็นคนที่สามารถอยู่แบบอัตคัดขัดสนได้ถึงจะไปอยู่ในที่ที่สงบได้ตามป่าตามเขาต่างต่างนั้น แต่ถ้าอยากต้องมีความสะดวกสบายทางด้านปันจจัยสี่อยู่นึงก็จะไปไม่ได้ yeah. okay, นะยะโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์คุณสาธิกาจากชายนานเย็งไงขึ้นเขาเองไหมเมื่อไหร่จะขึ้นเขาเองจอมไว้มกรลาค่ะอาจารย์วันนี้เจ็ดวันโอเค ค่ะไมด่ดีไ ม, ม่เวลาขึ้นเขานีก็อยู่บ้านนะดีกว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีคนมาอะไรคะ่ะไม่ต้องปุย อ, อ่าเป็นตัวของเราได้เต็มที่เลยนะใช่ค่ ะ, คะมาฟังธรรมที่ว่าอาจารย์โอเคคุณธนพัฒน์เนยังไงเขาจะนะมาที่นี่แวะไปดูที่เปะปฏิบัติบนเขาแล้วเป่า ไม่ได้แวะค่ะพ อ, พอดีไม่สะดวกเพราะไปกับป้าๆผู้สูงอายุหลายท่านค่ะก็เลยไม่ได้ไปแวะที่ไหนมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้มีคําถามถามพระอาจารย์นิดเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งค่ะคือมันเป็นไปได้ไหมคะที่พอถึงบางช่วงบางทีเนี่ยเราอยากจะเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนามากกว่าฟังธรรมอะค่ะพระอาจารย์เพราะมันรู้สึกว่ามีความกายเบาจิตเบามากกว่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็เป็นไปได้แในที่สุดถ้าอยากให้มันจิตมันรวมจิตมันสงบเนี่ยมันต้องนั่งบางทีถ้าสติเรายังมีไม่พอเราก็อาจจะต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์เดินจงกรมอะไรไปก่อนก็สติเรายังไม่สามารถที่จะนั่งนั่งนิ่งได้นานแล้วรู้สึกอัตขันมันเอือดขึ้นมาเพราะบิเลสมันมันยังแรงอยู่ แต่เราก็ต้องใช้วิธีเดินจยกความเมตตาอะไรให้มีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วลดกำลังของกิเลนเราให้มันต่อต้านน้อยลงแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งกันนะ่ะ <ลง S 2> จิตจะรวมจิตนจะเข้าสุภาพสมบัติต้องร่างกายต้องอยู่นิ่งๆนั ง, นองอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรค่ะ พ, พอดีช่วงหลังๆ ล, ลูกลดลดการ ฟังเทศลงบ้างแล้วก็ไปเดินจงกรมอ่ะสวดมวนต์ภาวนามากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ได้การฟังเทศมันมันมีมันไม่ขอบไม่ไม่เคตไม่ขีดจำกัดนะเกินไปกร่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มากเท่าไหร่อ๋อคพะเพราะลูกเหมือนกับว่าถ้าจับหลักได้แล้วเจ้าค่ะ<อ>ดูแลแ ต, ต้องปฏิบัติอะไรก็พอแล้วการฟังเทศเริ่มต้นก็นเหมือนการดูแผนที่ ดูให้มันเข้าใจว่าทิศทางที่เราต้องเดินทางไปไปทางไหนเรอดูเรื่อนี้ต้องออกเดินทางมากกว่าการดูแผที่แต่ก็ดูไปเรื่อยๆเดินทางเดินทางไปชั้นจุดหนึ่งก็ดูเช็คดูว่ามาถูกถูกจุดหรือเปล่าถูกทางหรือเปล่าหรือผิดที่หรือเปล่ปาะอะไรองนะี้ก็ฟังเทศได้แต่ยังอาทิตย์ละครัง้งหรือ ว, วันล ะ, ะรครั้งอะไรก็พอช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ไม่ต้องทุกเทกับตั้งมันทั้งคืนอยู่อการฟังเทศคฟางธรรมอย่างเดียว ค่ะเจ้าค่าพระอาจารย์ว่าฟังเทศมันก็มีการทําให้เราเข้าใจดีขึ้นปรับความเข้าใจปรับดูเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเราว่าเป็นในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าค่ะเจ้าค่าพระอาจารย์วันนี้ลูกมีคําถามเพียงเท่านี้เจ้าค่าพระอาจารย์ค่ะกลาวขอบพระคุณค่ะค่ะอคุณหมอนณินดาเขาอยู่ที่ไหนในน้องสายแม่เนี้ยน้องสาวนวัสกการเจ้าข่าพระอาจารย์พอดีโยมป่วยโยม ปยุกป่วยนิดหน่อยเจ้าข่าพระอาจารย์ก็แต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบไปเจ้าข่าพาจารย์แล้วก็แต่กับเรามองว่าร่างกายก็เหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่เรามาอาศัยแล้วก็มีเสียมีอะไรก็ซ่อมกันไปก็ไม่ได้ทุกอะไรเจ้าข่าพาจารย์เป็นโควิดระบาเป็นโควิดระบาไม่ใช่ม่ช่เนี่ยเจ้าข่าพาจารย์ตรวจไม่เจอก็แน่นอนธรรมดาขาดอาจจะแบคทีเรียอะไรนิดหน่อย เจ้าค่ะพระจันทร์แต่ก็มันก็ปวนการปฏิบัติบ้างเจ้าค่ะพระจันทร์เพราะว่าแบบบางทีมันอมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระจันทร์มันก็ทุกนี่เราเสียสมาธิเหมือนกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระจันทร์ก็เอ่อนอกมันก็คือเหมือนเห็นท่าอื่นๆที่ได้ไปปฏิบัติเอ่อปลีกวิเวก็ก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะยังยังไม่มีโอกาสตรงนันเพราะว่าแบบลูกก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระจันทรย์ ก็พยายามปฏิบัติเท่าที่ได้บ่วงค่ะข้าเจ้าแบาบ่วงลูกคือบ่วงมัดเรานั่นเลยเพราลูกออกมามันมัดตัวเราเลยอะไปไหนทิ้งเขาไม่ได้ต้องดูแลเขาอยู่ตลอดเนะจ้าค่ะอาจารย์แต่ก็จริงๆถ้าถ้าเพื่อความก้าวหน้าก็ควรที่จะมีเวลาไปปิกวิเวศแบบนั้นใช่ไหมจ้าค่ะอาจารย์มันก็จะได้ <laughs> มันได้เปรียบเทียบอยู่นะ ปฏิบัติบ้านกับปัฏิบัติที่ที่วิเวกมันเป็นอย่างไรบ้างมันจะได้มีการเปรียบเทียบแล้วมันก็จะเห็นว่าอย่างไรนดีกว่าันอย่างไหนทาให้เราก้าวหน้ามากขึ้นปฏิบัติที่บ้านเปรียบเทีย บ, ยบก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ไว้ในกระถานง <Yeah. S 1> มันก็จะโตได้แค่แต่มกระถางมาดินในกระถานต่อไปมันก็จะหมดกลายเป็นราก ถ้าอยากใช้ไม้มันใหญ่เพราะนั้นก็ต้องเอาไปลงดินอนลงดิการดูแลมันก็อาจจะยากกว่าการดูแลในกระถางนี่แหละกระถางน้ำเพ่งรดน้ําำเอาไปลงดินนี่เราอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลมันอย่างใกล้ชิดเตอนที่มันอยู่ในกระถางแต่มันก็มีโอกาสจะเจ็บตัวได้มากขึ้นย้ายได้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้ ไปไปแบบสู้กับกิเลสในใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ้ามาอาจารย์เออพอมันไปอยู่ที่แปกที่ใหม่เนี่ยมันต้องปรับนะมเจ็ดปกติกิเลสมันชาบของจะเคยชินพอมันต้องไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับนะอย่างหนึ่งก็อยู่คนเดียวมันยังรู้สึกแปลกนะพออยู่กับคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาพออยู่ไปอยู่คนเดียวบางเนี่ยบรรยากาศมันความรู้สึก ก็อาจจะอจจะรู้สึกหนาวขึมาก็ได้อะไรถ้าไม่เคยอยู่คนเดียวเลยแต่มันก็ดีอย่างมันเป็นเหตุการณ์ที่มาทำให้เราต้องทําใจให้สงบนะท้งย่าแก้กปัญหาความหนาวได้เว่าความหนาก็เกิดจากความที่เราอยากจะมีคนนั้นคนนี้อยู่ใกล้ตัวเราเอาไม่มีใครเลยมันก็รู้สึกขาดอะไรไปมันเกิดจากความอยาก ความเหงามาจะกความอยากถ้าเราทําใจใสงบหยุดความอยากได้ความเหงาก็หายไปต่อไปชอบอยู่คนเดียวมาง ก, กว่าไม่มุนวากวับใครไม่ยุ่งกับใครเจ้าค่ะเจา้าขาแปดตันยงก็เคยฝึกอยู่คนเดียวมาบ้างพอสมควรเจ้าค่ะแล้วก็สู้กับความกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจา้าค่ะอาจารย์ใช่มันก็มีหลายอย่างด้วยกันอ่ะ เจ้าข่าพระอาจารย์ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเจ้าข่าพระอาจารย์ขอกล่าวนมัสการเท<อ>่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ที่อาจารย์พรบุญลายเป็นงไงอาจารย์มันดูโกนอยู่หรือเปล่าโกน ก, การมรสการครับพระอาจารย์อยู่ค่ะอ๋อกำลังกายอยู่ค่ะอแข็งแรงแล้วครับนมัส ก, การาอารอาาจย์ครับหายดีแล้วนะหายดีแล้วครับวันนี้เพื่อนไปเช็ค ก, กับหมอมาค่ะ ไม่มี่างเชื้อเด็ดสบายแล้วนี่ก็เป็นเห <c oughs> มือนนอกหวัดธรรมดาแลมีมีหลายโรคพร้อมกันค่ะดีหมดแล้วค่ะที่ที่ไปไปดูดน้อะไรนี่ก็โอเคหมดแล้วนะเรียบร้อยค่ะ <c oughs> เรียเรียบร้อยค่ะวันนี้ไปเช็คค่ะหมอเก่งมากเลยครับอาจารย์ แค่6ชั่วโมงเจ่านม้งแพ้เผลเอหายหมดเนี่ยยี่สีชั่วโมงไม่รู้เนี<ส>ไปเจอหมอเก่งถ้าไปเจอหมอไม่เก่อาจจะตายก็ได้มีกา <c oughs> คนไปเข้าโรงพยาบาลปกติดีดีดีไปเจอหมอวินิจฉัยผิดหน่อยหาผูบตายเลยหมอก็ทำไปก็คุยไปอธิบายไหมว่าหน้องสีเขียวนะออกมากเป็นจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่อธิบายไปตลอดเวลา Awesome. Nice. Okay. ่กลดีดีใจด้วยขอบคุณครับพระอาจารย์ครับเขาได้เห็นสัดชะตามแห่งชีวิตดีค่ะกลายเก่เจบตายค่ะค่ะแล้วมันกระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อมเนี่ยก็พิสูกันได้ชัดเจนค่ะถ้ามีปัญญาก็ไม่กระเพื่อมค่ะยอมตายค่ะคนดูแลก็ยอมตายคนเป็นก็ยอมตาย ยอมเป็นยามเช็บ ย, ยามตายแล้วก็ไปกับเรื่องใช่ค่ะก็ไปแบบอะไรเกินก็เกิด น, นั้นหน้าที่นั้นนะคะห้ามันได้ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอนัตตาเปโตรมไม่มีอะไรไม่อ ไ, <ม>ไรเที่ยงอยู่ไม่มีแพร่จันพูดถึงอยู่เงียบๆอะไรเงียเยย้ยนะคะ<ม>ที่บ้านก็เงียบเงียบดีนะคะ<ม>อยู่ไม่มีลูกไม่อยู่ในประเทศเลยนะคะตอนนี้กลับมาแล้วคนหนึ่ง เรายิ่งรู้สึกว่ามันเงียบดีจังเลยดีจังเลยคุณยายยังแข็งแรงอยู่นะยังแข็งแรงค่ะเรากันกันไว้อีกฝั่งหนึ่งค่ะของบ้านก็แข็งแรงเรียบร้อยค่ะเราเจอกันทุกวันระยะห่างห่ามแข็งแรงค่ะคขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคนะอาจารย์การการรักษาการค่ะโอเคอาจารย์สายทิพตาตอนนี้อยคอนแกนนะ กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขันแก่นค่ะมาอะไรกันพระอาจารย์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดค่ะพระอาจารย์ก็เลยตั้งใจเลิกดูโพสที่เป็นอพวกบันเทิงต่างๆแหละตัดทิ้งหมดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป็นก็ไม่โพสต์อะไรละค่ะเลิกเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจถือสินแปรให้ได้ ในกับทุกวันค่ะพระอาจารย์จะเป็นวันสําคัญจริงๆก็ดีมากงาวมมากค่ะก็เลยก็เลยเธอสินแพดมาตั้งแต่เอ่ที่เป็นวันเกิดยกเป็นว่าที่บ้านเขาเขาเลี้ยงแล้วก็ก็ก็ให้อยู่ค่ะพระอาจารย์จย่อนหยนิดนึงดีแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรก็คือเลยเที่ยงเลยบ่ายโมงก็ก็ไม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์เพื่อหามันไม่เก in oh, ิดนะเพื่อไม่เกิด ใช่ค่ะแล้วก็ลองดูคือทํางานหนักมากขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอาจจะแพลนที่จะออกจากการเป็นอาจารย์แล้วก็หาอาชีพสํารองไว้เผื่อที่จะทําให้น้อยบันลงค่ะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนทำสองอย่างไปพร้อมกันก็ก็เหนื่อยมากค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอเราไม่พอเราถือศีลแปดแล้วเราตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิตื่นเช้าแล้วก็ก่อนนอน มันก็ทําได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็เอ้ามันก็ได้อยู่นี่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่กินข้าวตอนกลางคืนแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์าารยตอนแรกวันแรกหิวมากค่ะแบบโอ้ยหิวจังแต่ว่าพอผ่านวั น, นวันนั้นไปวันเดียวก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆมันอยู่มันอยู่ที่ใจเราด้วยท ใ, ใจเราในั้นอยู่ที่ความตั้งใจเป็นหลักถ้าใจเราตั้งใจจะทําะไรแล้วมันก็มันก็ไปได้ หลวพ่อพเจ้าตั้งใจจะนั่งสมาธิจังก่าจะตัดสโรเลยทห้เราทำอธิษฐานสัจจะอธิษฐานคนะตั้งใจแล้ต้องไม่เปลียนใจนะค่ะก็เลยคิดว่าเอาอายุสี่สิบเก้ารอนี้แหละเป็นแบบตั้งต้นจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนก็เดี๋ยวลุ่มๆดอนๆมาเรื่อยๆใจออกมาเรื่อยๆหลวพ่อพเจ้าเริ่มตอนยี่สิบเก้าเราเอาสี่สิบเก้าเพราะว่า ไม่ยังไม่ไม่ไม่เห็นว่าจะได้ไปบวชตอนไหนก็บวชบอกที่บ้านเนาะบวชใจนั่นเองค่ ะ, ะบวชใจนั่<อ><ใ>นแหะบวชใจนั่นแหละบวชอยู่ในใจทําอยู่ในใจค่ะก็บอกที่ว่าบวชใจนะอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็โอเคค่ะแต่ว่าบางทีก็ไปอยู่ที่ที่วัดหรือที่เปลี่ยวๆได้านก็ดีกว่ามันมันขึ้นทางด่วนถ้าอยู่ทั้งอยู่ในบ้านมันยังเหมือนอยู่ข่าวเราอยู่ใต้ใต้ทางด่วนยังติดคนนั้นยังติดคนนี้อยู่ว่า ค่ถ้าวันไดสามารถไปอยู่คนเดียวได้มันก็เหมคอนข่าขึ้นทางดว่วนนะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าวันไหนที่สามารถที่จะหลบเบนหลบหลบงานได้ค่ะเล่งเลี่ยงกับเพื่อนๆนก็ตั้งใจจะไปวัดอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ก็ทําแบบนี้ไปก่อนค่ะ <Nope. S 1> มีมีวันหนึ่งนั่งนึกเรื่องของออารมณ์ความคิดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอ๊คิดไปเรื่อยๆมันคือทุกอย่างมันล้วน เกิดจากเหตุและปัจจัยแล้วมันก็เลยมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันก็มันก็มันก็มีเรื่องต่อไปไเรื่อยๆถ้าเราไม่ไม่ตัดมันมันก็ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนทีนี้หนูก็เลยคิดว่าแล้วก็ตัวผู้รู้ที่ที่บรรแบบทาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเป็นเพราะว่ามีเหตุปัจจัยก็คือมีกิเลสมีอะไรมาเกาะคล้องใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มีมีความหลง นองไปคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ภาพยศสารเสริญศพนะไปด้วยไปหาแต่ข้ามจริงพิจารณาด้วยปัญญามก็จะเห็นว่ามันเป็นตายรัะมันเป็นทุกข์มันมันมันเป็นทุกข์แล้วก็ทุกอย่างจริงๆมันไม่มีไม่ไม่มีเลยใช่ไหมคะอาจารย์มันมีแล้วก็หมดไปมันฟ้องมีแล้วก็หมดหมดไปหมดไปเหมือนมีอิทธัพใจมากระทบกันแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นไปอด้จ่ะ แต่ท้ายสุดก็คือจริงๆมันไม่มีมันแค่มากระทบกันใช่ไหมคะพรอาจารย์อ่ามันไม่มีอะไรที่จะตกค้างอยู่ในใจเราค่ะแล้วพอเราคิดได้อย่างนี้เราก็เลยปฏิบัติดีกว่าก็เลยลุยเลยค่ะพรอาจารย์แต่ก็ประคองประคองทางสติอยู่กับใจเราไปตลอดก็คือความสงบของใจค่ะค่ะที่ให้ความสุขที่แท้จริงกับใจค่ะแล้ว ตอนนี้รักษาความสงบของใจแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทุกข์กับอะไรเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์ใครจะอะไรก็ก็ไปได้ใครว่าใครว่าก็ได้ใครไม่ว่าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเป็นคนง่ายๆขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ค่อยสังเกตอาจจะยังไม่เจอข้อสอบหังๆไปต่อมาค่ะอางทีบดงีเจอข้อสอบหนังๆเข้าเลยก็อาจจะอาจจะคขาไม่ถึงคำตอบว่าอาจจะเพียงแต่ว่าอาจจะ ก็ก็คงมีเยอะอยู่ล่ะค่ะพระอาจารย์แต่ค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะอทุกน้อยลงค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็ยังมีทุกอยู่ค่ะคิดก็ทำไปค่ะค่ะถ่าทุกค่ะพระอาจารย์วันนี้มีมารายงานเท่านี้ค่ะใะ่อะไรบางดีด้วยอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนใจนะตั้งใจแล้วต้องทําไปตลอดนะค่ะ ได้ค่ะะอาจารย์ที่ประกาศให้กับชาวโลกได้ทราบวันนี้คืค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่พวเราในห้องนี้นะคนที่ดูเยอะแยะปิดหน้าก่อนนะเันคนที่ดูดูโปรแกรมที่เป็นพันนั้นดูย้อนหลังค่ะค่ะอาจารย์จะตั้งใจทําให้ให้ให้ดีไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะคุณบมอพัฒนาก็ไปปิดไม่แว้บในวันเขาเนี่ ทางกดด้วยนะเดี๋ยวนี้นอนในกด น, นั่งเหรออ๋อนั่งนั่งในกรดค่ะพระอาจารย์ น, นั่ ง, งข้างนอกค่ ะ, ะก็ยอยู่ยเบียงออยู่ระเบียงค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้เป็นนั่นงตรงศาลาใหม่สงบดีมากเลยค่ะแต่ว่านั่งศาลาใหม่ไม่ได้ใช้กดนะค ะ, ะก็นั่งสวยๆกยุงก็ไม่กลัดลมพัดแรงดีค่ะศาลาใหม่ก็คราวนี้ก็เอาเสื้อมาแค่สามชุดนะคะแล้วก็ไม่เอาพลาสตัวมาค่อยๆค่อยๆแบบมักมร้อยไปเรื่อยๆค่ะ แล้วแล้ว ก, แวก็แล้วก็ยังสงบได้ตลอดเรื่องมีความสุขนะพระอาจารย์แล้วก็ดูอารมณ์สดๆน้อยๆแบบที่พระอาจารย์บอกค่ะก็ก็เห็นเลยค่ะว่าเออคราวนี้มาเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกลายเป็นเป็นฝูงพวกน้องๆไปแล้วก็คือเดินไปเดินมาน้องเขาเห็นเราพวกกวางเขาเห็นเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เดินมีบางบางทีเรโรูเพเห็นใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยเขายาวๆเขาก็นิ่งเราก็ คือเราดูใจเราเลยพอเห็นปุ๊บบางทีเราเดินดูพื้นไม่ได้มองมองขึ้นมาอ้าวอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเราก็ไม่กระเพื่อมนะพระอาจารย์ก็ ต, ต่างคนต่างเติรก็คือไม่กระเพื่อมพระอาจารย์ไ ม, ไม่กลัวแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าด้วยนะคะหมายถึงไม่กลัวไม่กล้าพระอาจารย์อืมดอเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำสัพเพธมานะตานะคะพระอาจารย์ลองทําไปเรื่อยๆแต่กลางคืนก็เดินตอนกลางคืนนะพระอาจารย์ลงไปเดินเขาให้เห็นเป็นอยากเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆพระอาจารย์ค่ะ มีอะไรแนานอีกไหมคะพระอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆทาไปจนวันตายครัพระอาจารย์อนี้เอากำลังพระอาจารย์เดี๋ยวไปได้ไปไปไปถบะน้อยต้องเอากําลังเยอะๆปั่นทางนี้มันวันเรนะไม่มีไม่มีย้อนสอนนะไม่ยอมเลยไอ้ยอมให้โถยทำไปเลยนม่มีวันเวไม่มีกันไม่มีที่กลับรถนะน่าไม่กลับทางนี้ไม่มียูเทิร์น มีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยรู้สึกปบอุ่ใจมากเลยอาจารย์รยก็จากมาจากมาถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ค่อยเดินมาเรื่อยๆืาอาจารย์ต้ขอบคุณคระอาจารย์มากมเลยอ่ะจุดหมายปลายทางก็คือมากผลนิพพานนะคะก็คือไม่อยากเกิดนะน ะ, ะ, ะมันไม่เกิดะะค่จะได้จะได้ช่วยคนที่ตามมาด้วยค่อาจารย์เราต้องทําไปากนะ่อนค่ะเราไปก่อนแล้ก็าาตามมาเองอยู่พระเจ้าพอพระเจ้าตอบท่านแล้วก็ ยาพี่น้องมาตามมาันมาหมดนะฮะไม่ต้องบังคับเขาไม่ต้องชวนเขาเข้ามาเองเ พ, เ พ, เพื่เพื่อนก็เพื่อนๆนก็มองกนนะพะอาจารย์เพราะตอนนี้บอกเพื่อนเพื่อเลยว่าเอ้ยไม่คือเราไม่เราไม่เกรงใจคนแล้วเราเกรงใจทำ <c oughs> คือสุดบ <c oughs> อกไม่กินข้าวกินมื้อเดียว <c oughs> ไม่ต้องมาชว <c oughs> นเกรงใจคนทําก็พังตามมาบวอื่ถ้ามันอยากจะให้ทําพังก็ต้องมาตาม้ปลี่ยนใจคนคนจะพังแล้วเรื่องของเขาเขาต้องพังอยู่ดีแล้ว ไม่วันไดวันหนึ่งเพราะว่าเราพังแต่ทำพังนี่เราขาดทุนเนเพราะทาเป็นที่พึ่งเรากำลังสร้างกระชามีขอบพระคุณค่ะโอเคอทุกอยู่ไปด้วยน ะ, อะโอเคคุณเอกจากเชิยงรายเชิญการวัสการพอจารย์ครับ วันนี้เข้ามารับฟังครับอาจารย์ไม่มีคําถามะครับเดปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติครับาอาจารย์ครับก็ <Okay. S 2> จเจริญมรณมรณะนุสติอยู่ตลอดครับาอาจารย์แล้ว uh huh. ก, ก็ <Yeah. S 2> คิดนว <Yeah. S 2> ะว่าเดสวรรณหนึ่งเราก็ต้องจากกันอยู่แล้ว uh huh. ไม่นานหรอกก็ <Yeah. S 2> คิดาด้ใจมันก็สบายมันก็เบาครับอาจารย์ uh huh. สงสัยว่าคงจะผูกกับเมื่อนานุสตีครับอถ้ามันทําให้ใจเราสงบไม่ไม่ฟุ้งซ่านกันดีมีมีอะไรกระทบขึ้นมาก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายหรือว่าหายใจไม่ออกแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็บายบายแล้วพี่นี่ก็การนอนให้พิจารณาความตายอยู่ทั้งหายใจเข้าออกครับผม การพิจารณาความตายแล้วก็สแสดงว่าเราเนี่ยิตเรามีฐานมีสมาธิมีความสงบพอสมควรที่บางคนพิจารณาความตายไม่ได้ก็อาการหดหู่เป็นแบบความวาดกลัวกั็นแบโอ้ครับผมครับ ก, ก็ก็เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปไปงานศพเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วครับอาจารย์ก็นั่งคิดอยู่ในใจตลอดนะครับว่าสัปดาหนึ่งเรา COVID โอวิดนอยู่ในโรงงานเหมือนกันอย <ừ, S 2> ู ừ, ่นะ ค, คิดอยู่ <Okay. S 2> อย่างนี้คิดตลอดนะฮะ ก็ดูวันหนึ่งเรต้องจากไปแล้วเออคิดมาเขาคืออนาคตของเราไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรนะครับอาจารย์ไปดูเขาแล้วเขาบอกเขาคืออนาคตของเราเราคืออดีตของเขาครับครับเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราอยู่นั่งโรงครับเราก็เอาไปอนาคตเขาต้องเป็นเหมือนเขาต้องไปอยู่ในโรงเหมือนเขาครับผมครับดี ดูสุข บ, บ่อยๆดูคนแก่ บ, บ่อยๆดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆแล้ว <สา S 1> ไป <สา S 1> ย้อนกลับมาทิตัวแล้วโอปัญญิโกครับผมครับผมขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ช่วยอสอ น, นสาธุครับผมขอท้าทานพระอาจารย์ถิ่งไดครับผมุครับคุณน น, ณ น, นจากบุรรัธานีคารบดามัสการค่ะอาจารย์แต่ไม่มีคำถามค่ ะ, ะดีมาก ไป่แอปต่อแอปเชื่อมใหม่แอปนี่เป็นจคู่เป็นเพื่อนกันเลือเป็นพี่น้องกั น, นอ๋อเป็นพี่น้องกันครับอาจารย์ดีสนใจเลยการทั้งพูดแล้วก็สแสดงว่าดีเป็นกลางเลยนะเมทินีอ๋อผมไปเท่าไหร่ครับนานๆได้เข้ามากราบพระอาจารย์นะครับผมก็ออยังดียังมีพี่ชายคอยดึงอยู่พี่ชายหรือน้องชาย พี่ชายครับพี่ชายครับพระอาจารย์ครับ mm hmm. ไม่ไม่มีคําถามครับเข้ามากับพระอาจารย์เข้ามากับาาอาจารย์าาครับมาฟังนะฟังธรรมไปไเรื่อยๆฟังธรรมครับอาจารย์คุณพงพัน์เชิญพงพันขอนแกน่นกลับกลับนมัสการพระอาจารย์ครับก็มาร่วมฟังธรรมครับแต่ก็มีคําถามหนึ่งครับพระอาจารย์ พอดีได้เข้าไปอ่านเจอในบทความเกี่ยวกับที่พระอาจารย์เทศไว้ครับเกี่ยวกับว่าอนักปฏิบัติภาวนาจะต้องหัดทาตัวซื่อบือ้ออ่ตรงนี้ครับก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเทศอธิบายขยายความให้ด้วยครับมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่รู้แต่มันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปมันก็ไม่ต้องมีเรื่องเมีราว่าใครใครเขาจะดีจะเชื่อถ้าทําเป็นซื่อบือไปก็ได้เฉยๆไปทำซื่อบื้อเฉยๆไป แล้วเอ อ, อย่างตอนช่วงที่เรานั่งสมาธิไปเจออะไรต่า ง, ๆ, างๆพวกนี้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปนะครับสนใจเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมายามันเป็นของหลอกของหอกใจเรา ใ, ให้เสียสมาธิทําให้จิเราเข้าเข้าสู่ความสงบไม่ได้ถ้าเราไปให้ความสําคัญกับมันครับเราต้องเกิดเป็นอยู่กับการภาวนานของเราพูดโทรไปดิวรมไปอย่างเดียวครับไม่อยงั้นมันจะเข้าไปสู่ความสงบไม่ได้ พอไปสนใจไปตามรู้ศิ่ปะก่ขึ้นมามันก็ไปปรุงแต่งไปกับมันเน่นไปกับมันครับเดี๋ยวบางทีก็หลงทางหรือมันกลายเป็นของน่ากลัว้นมางบางคนก็ไม่กล้านั่งต่อไปก็มีครับอย่าไปสนใจมันถ้ามันจะหายไปแต่ถ้าไปสนใจกับมันเดี๋ยววันนี้ไม่ดีมันกลายพันธุ์ ตอนนั่นั่งดูหน้าดูอยู่แล้วกลารกลายเป็นการเป็นของหน้าเกลียดหน้ากรธแบบนั้นแล้วก็ไม่กล้านั่งไม่กล้านัางต่อไปก็ได้เมันความจริงมันเป็นความปูแตกของจิตทั้งนั้นเพร้ะจิตยังไม่สงบนล้วมันพอไม่มีสติพอพลสติมันก็ผุ้งขึ้นมาแล้วต้องกลับมามาสติที่ลมฐายใจที่พุทโธมันเดืยดมาก็หายไป ก็สรุปแล้วว่าจริงๆเนี่ยการปฏิบัติสมถะอวนาก็คือให้เราเนี่ยนึกถึงคำบริกรรมหรือว่าอย่างตัวตัวกระผมเองนึกถึงพุทโธเนี่ยให้นึกพุทโธเป็นอารมณ์ทุกขณะจิตนะทุกขณะจิตให้มันต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะไม่ให้เพมไม่ให้พุทโธหายไปเลยพอหายแล้วเดี๋ยวมันมีอะไรโผขึ้นมานะครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์กราบขอบพระคุณมากครับ อ่าทุกคนยินดีอาจารย์คนยินดีจากแคนซอรสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เดวิดฝากกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็บอลซ่องเดิมค่ะก่อนที่เขาจะไปทํางานนะคะก็บอกอว่าสวัสดีขอบคุณมากยุ้งไม่มีอะไรคะ่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะก็ฟังทำจากท่านกรรยานี่มีทุกๆ ท, ท่านนะคะได้ค่ะตอนนี้หนาวมากมีพายุอะไรโดนไหม ไม่โดนค่ะท่านอาจารย์แต่ค่ะเมื่อวานอากาศมันแปลบวนนะคะเมื่อวานสิบเอ็ดพอมาวันนี้ลบสามอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ที่นี่ลมเยอะมากแค่นั้นนะคะ่ะก็ไม่มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมีเรื่องลมค่ะแต่เราส่วนใหญ่ก็อยู่ในบ้านกันไม่อมอกไปข้างนอก อ, อ๋อหนูอยู่ที่โรงแรมค่ะหนูไม่ออกไปไหนแล้วหนูก็อยู่ทีนี้ค่ะแล้วเดวิดยังถามเลยว่าไม่ไม่นี่เหรอ โอเคไหม ห, หนูบอกวหนูโอเคแล้วคนที่โรงแรมเขาก็บอกว่ายูทําอะไรอยู่ที่ในห้องอ่ะไม่เห็นยูออกมาเลยหนูก็ใช่เดินจงกรมมาะค่ะท่านอาจารย์พอเมื่ออย่างเมื่อวานนะคะเวลาอ่าอากาศดีมันมีแดดหนูก็เลยออกไปตากแดดแล้วหนูก็เลยใช้อาศัยเดินไปด้วยค่ะเดินแล้วก็ <c oughs> ออกไปพวกเดินจงกรมแล้วเอาแดดหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาถามว่ายูทําอะไรอยู่ในห้องอ่ะยูไม่ออกมาไหนเลยไม่เห็นออกมาเลยหนูก็ยิ้มยิ้ม ค่ะท่านอาจารย์ <Okay. S 1> ก็โอเคค่ะก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมวนไปวนมาเ <Okay. S 1> ดวิดถามว่าอยู่เดินไงอ่ะ <Okay. S 1> เขาก็ถามหนูว่าหนูเดินยังไงหนูก oh, oh. ็อกก็ยู่ก็เดินวนไปสิวนไปเรื่อยๆหนูก็พูดอย่างเงี้ยค่ะท่าอาจารย์เดิน <c oughs> แต่ต้องบอกว่าเดินด้วยสติไม่ใช่เดินแบบช็อปปิง้ง <c oughs> ไค่ะค่ะเดวิดทราบค่ะท่านอา<ง>จารย์เวลาเวลาอย่างเสาว์อทิตเวลาอยู่ด้วยกันเนี้ยค่ะเวลาอยู่ด้วยกัน เก็จะต้องคอนเส็ตต์ต้องมีสติต้องพุโทโธเนะหลายใจไเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มติดตรงที่เวลาเดินพอเราก้าวเท้าเดินเนี่ยบางทีเนี่ยหัมพุโทโธก็จะเด้งขึ้นมาเอง แ, แล้วก็แต่เวลานัแต่แต่ถ้าอาจารย์คะอย่างเวลาเราทําอะไรเนี่ยค่ะอย่างเราทํางานแบบอย่างล้างจานล้างอะไรแบบเวลาทํากับข้าวหรืออะไรเงี้ยค่ะพุโทโธหายไม่เป็นไรใช่ไหมคะ เป็นไรถ้าเราอยู่กับงานที่เราทำอยู่ค่ะเนี่ยค่ะกินเท่าไหรค่ะไม่ได้คิดค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมทําไมพูดทไไัวร์กันนถ้าเราอยู่กับงานที่เราทําได้แต่จิตมันไม่ได้เกาะอยู่ที่ที่นั่นอะคะ่ะคือก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันถูกมันมันมันโอเคไหมคะอาจารย์แต่เวลาเราเดินเนี่ยพูดทรมันมันเริ่มจะเด้งขึ้นมาเลยค่ะเป็นอัตโนมัติแต่เวลาทํางานมัน คือจิตมันไม่ได้กาอแต่ไม่ได้คิดอะไรนะคะท่านอาจารย์ออไ ม, ไม่ไม่มีความคิดค่ะมันก็รังรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยูค่ค่ะค่ะจะพยายามค่ะท่านอาจารย์จะพยายามท่านครับค่ะขอบคุณออท่านอาจารย์มการสนทนาท่านอาจารย์ออจอยจากพัทยากล่าวค่ะได้ยินไหมคะ <c oughs> ได้ยินชัดเจนค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเข้ามากลาวอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาแล้ว ใช่พี่เขาทำเลยไม่ได้เข้ามากลับใช่อะไรใช้มือถือใช้ของใช้มือถือหูฟังแต่เดี๋ยวมันสุบไปใส่บาทนะคะมือถือนี่ดีนะภาพประคบนิสัยมันดังดีนะมันสุบไปใส่บาทนะคะแล้วมีขาตั้งด้วยเปล่ามีใช่ไหมไม่ต้องไม่มีหนูหนูใช้ของแถวที่ตั้งใช้แก้วใช้อะไรบ้างแกวใช้ตั้งดีนะค่ะ ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมแต่เราก็พาให้เด็กไปสายบาสน่ามากๆก็พาเด็กไปสาบาสกันเพื่อให้เด็กมีมีมีบุญมีกุศลไปจุดตัวค่ะค่ะหลวงพาไปตลอดค่ะเก้าวค่ะครับเป็นมาริกาจากนราธิวาสกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ร่วงฟังธรรมเจ้าค่ะ อ่าจุดความดีอยางบุรีดำใช่ไมถ้าจำไม่ผิดหรือผิดหรือสุรินสุรินเ จ, นจ้าค่ะกล่าวธรรมสการเจร้าค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูมีคําถามสองคำถามเจ้าค่ะอ่าใช่ค่ะอ่าหนูจะถามว่าขณะ ท, ที่หนูฟังธรรมเนี่ยค่ะหนูรู้สึกลมหายใจไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยได้หรือไม่คะ ฟัองอย่างเดียวยดีกว่าไม่ต้องดูโลก็ได้ฟังอย่างเดียวใ่หมคะแ ล, ะและ้วฟังอย่างเดียวตั้งใจฟังจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วขนาดที่หนูฟังเนี่ยบางครั้งเวลาเอ่อบางครั้งหนูก็มีมีอารมณ์กับการฟังคำบางบางครั้งหนูก็มีอารมณ์ฟังเฉยเฉยอย่าอย่ไปมีอารมณ์ไป oh. ฟังเฉยเฉยอย่าไปมีปฏิกิริยาอย่าไปตอบสู้กับคนที่แสดงธรรมหมก็พูดไปแล้วก็ฟังไป จะจะสมองก็ไม่ไม่ฟันใช่ไหมคะอย่าไปโต้เถียงกันฟังเฉยๆแล้วรับฟังมาวิเคราะห์ทีละวิธีอืมค่ะแล้วหน้าที่รับฟังเฉยๆแล้วคิดตามพิจารณาตามเหตุตามผลที่ท่านแสดงไว้ค่ะท่านมีเหตุมีผลมันก็มันก็รับได้ถ้าไม่มีเหตุมีผลมันก็รับไม่ได้ค่ะ มันเหมือนกับบางครั้งมันมีความเพลินในการฟังอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเพลินนะค่ะเพลินแบบมีความมีความเพลินกับการฟังยิ้มตามอะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรอยากเ ป, เป็นความสุขนะค่ะ<ม>อ่าข้อที่สองค่ะพระ อ, อาจารย์เออหนูพอมี ม, มีตอนที่หนูนั่งสมาธิค่ะ เอานั่งหลับตาฟังธรรมหรือว่ากำหนดลมหายใจค่ะแล้วตัวมันโยกนะคะ่ะพระอาจารย์หนูควรหยุดแล้วก็ว<น>บังคับตัวเอง<ม>ใช่ไหมคะต้องบังคับแสดงว่าเราใจไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสติสติ ม, มันน้อยอเลยปล่อยให้น่างกายมันหมดปล่อยให้จิตไปเขย่าน่างกายไปเคลื่อนน่างกายองอาจจห<ม>อาจจะเป็นอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์อะไรอารมณ์ฟังเพลงแล้วมันจะเลยข้านฟังเพลงหรืออะไรมันก็ส่ายไปใส่ายมาย ค่ะต้องฟังแบบนิ่งๆแผลใจมันนิ่ ง, บบงค่ะร่างกายก็นิ่งตามเจ้าค่ะอย่าไป ม, อไปมีอย่าไปมีอารมณ์ของการฟังค่ะต้องต้องอุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะต้่ต้องอุเบกขาสัแกแต่ว่ารู้ไปเจ้าค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะไปที่อเมริกาคุณจิ๊จากแม่บิลแลน ก า, การาานมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมคะดีสบายดีสบายไม่ไค้างดีเจ้าค่ะไม่ไดีจะ ม, มาคุยกันได้ไงนานสิเจ้าค่ะโยมก็แบบไอ้ที่นี่อากาศก็หนาวนะก็โย ม, มเสียงแห้งๆพระอาจารย์ก็เสียงแห้งอยู่แอบพระอาจารย์งไปสบาดีค<ด>่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็มีประกาศทางอุตุนี่อีกสองวันจะลงถึงห้าถึงหกองศาแล้ว ที่ชลบุรีเหรอคะทังทั่วประเทศเลยมันลงมาจากเมืองจีนอ๋ออ๋อค่ะค่ะที่นี่ก็หนาวตอนนี้ของโยมก็ลบสามค่ะอามเซนติเกรดฟรไฟต์อ๋อยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบหกฟานไฮอะค่ะก็อี่ฟนไฮก็น่าจะลบามลบสาใช่ค่ะประมาณค่ะค่ะก็หนาวก็นิยมอยู่ในออฟฟิศโยมก็ใส่เสื้อโค้ทไปด้วยเพราะว่าในออฟฟิศมันอุ่นอ่ะที่ ที่ที่คอนโดที่บุ๋นซิเนี่ยไม่โดนค่ะสังเนี้ยค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าพรุ่งนี้เช้ามืดหือยังไงเนี่ยหิมะจะตกอะค่ะก็ก็ไม่แน่ใจค่ะก็รู้สึกปีนี้หนาวมากกว่าปกตินะหนาวค่ะหนาวเร็วมากนะคะยมว่าปีนี้มันหนาวเร็วมากเลยยมก็สงสารมนุษย์โลกมนุษย์ ก็ไม่รู้ว่าเราทําคงไม่ดีกับโลกโลกก็ก็สะท้อนคืนกลับก็โอเคก็ทุกคนก็เตรียมตัวให้มีสติอะค่ะโยมก็แบบเออไม่เป็นไรหนาวก็หนาวอ่ะเลยแบบไม่เป็นไรหนาวก็หนาวเราก็ป้องกันใส่เสื้อผ้าหนาๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่ไม่แมว่าอาทิตย์ที่แล้วยมเข้ามาตอนสิบอ่าตอนสี่ทุ่มสิบห้าค่ะใช้พระาจารยเลิกไปแล้วโยมก็แบบเอ๊ ยมก็เลยส่งไปหาสลินทอนบอกสลินทอนฝากกับพระอาจารย์ด้วยสงสัยยมเข้าสายคุณบอยไม่ให้เข้าอสลินทอนบอกว่าอคนหมดก็เลยก็เลยใช่ใชสลินทอนบอกว่าออกเขาเลิกแล้วเพราะเมื่อวานมานันนนอาทิตย์ที่แล้วคนน้อยยมก็อโอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์อ๋อมีคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์ถ้าเวลาเราทําบุญหรือนั่งสมาธิแบบนี้ค่ะแล้วเราหรือภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรา เราพอเราทําเสร็จเราก็แผ่เมตตาในการบอกว่าเรายกบุญให้แบบเจ้ากรรมนายเวหรือว่าอคูบาอาจารย์หรือว่ า, า, า, า, วาเทวดาอะไรพวกเนี้ยค่ะเวลาเรายกบุญนี่คือเรายกบุญแล้วเคยมีคนบอกว่าถ้าเราพูดคําว่ายกบุญเราจะไม่ได้บุญเพราะเรายกให้เขาไปหมดอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าคะเป็นจริงอ่ะไมจริงบุญที่เราส่งไปได้นี่เป็นเซี่ยนของบุญที่เราได้จากการการทําบุญของเราจะใช้คํำไหนก็ มันนั้มนมันเพียงแค่วาจาหดูดนะไปถ้าไม่มีอวามเป็นจริงก็ยกให้หมดไปได้วุญวุญที่เราแบ่งให้คนที่ร่วงนับไปแล้วนี่แบ่งไปงได้เพียงเสี้ยวเดียววุญส่วนใหญ่ถ้า เ, เรา<อ>แบ่งเราอยู่อ๋อคะ่ะแล้วถ้าเรายกให้ลูกเราล่ะคะที่มีมชีวคนคนเป็นนี่ต้องทําเองคนเป็นต้องทําเองอ๋อแต่ถ้าคนที่ไม่มีสกายสังขารเขาก็จะได้ ได้ส่วนหนึ่งใช่นนใชมค้ยวนหน่งก็ต้องเป็นบุญที่จากเกิดจากการทําทานใชมากกว่เพราะบุญที่เกิดจากการไหวพ้พระสวดมานั่งสมาธิมันยังยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ยังยังไม่เป็นผลอ๋ออันนั้นคือบุญสําหรับตัวเรามากกว่าถ้าเรานั่งสมาธิอ ะ, อะไรอย่างนี้นใช่อ๋อแต่การให้ทานการทําบุญถ้าแบบบริจาคคืออย่างนี้คือ ถ้าจะอุทิศก็ทําทําบุญด้วยการให้ทานแล้วก็อุทิศไปอ๋อค่ะเจ้าค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ยมก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็พยายามอยู่ค่ะแต่ตอนนี้มีเรื่องมากระทบก็ก็เฉยเฉยเยอะขึ้นมากเลยค่ะเฉยมยยากเลยค่ะอาจารย์ค่ะค<ด>่ะก็เลยคิดว่าทำเป็นแบบใช่ใช่วันนั้นโยมก็อ่านค่ะที่อาจารย์โพสต์ไว้ว่าเออทาเป็นซื้อบื้อยมก็ เออจริงเนาะชีวิตมันก็เหมือนเกมมันเหมือนสิ่งที่เราก็อยากไปตามกับโลกมายาเดี๋ยวมันก็เกิดดับที่พระอาจารย์บอกว่ามีเกิดก็มีดับคู่กันไปเลยมีมีมีรักก็ต้องมีหมดรักอะไรแบบนี้ค่ะยงก็เออเออใช่ช่เลยนะคะก็เห็นเห็นมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์แค่นี้ขอพระอาจารย์สุขภาพ อยู่ที่ทํางานค่ะไม่มีใครมาเลยพระอาจาร์ยอนั่งอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าช่วงบทดยมทําบริษัทภาษีนะคะช่วงปลายปีก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเดือนกัตมกราเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมาละเริ่มเป็นรอบภาษีของปีใหม่ละค่ะค่ะกล่าวขอบคุณค่ะพระจานทร์ภาษาสุขภาพค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะนะโมตานะโมสาธม มาสการครับพระอาจารย์วันนี้มารายงานกันบ้านเหมือนเดิมครับผมามาเหมือนเดิมพระอาจารย์ครับอาทิตย์นี้อคุณแม่กับคุณยายติดโควิดครับผมติดโควิดนะอาอารครับติดาารุนแรงไหมไม่ค่อยรุนแรงครับจริงๆคุณยายไม่ได้เป็นหนักเท่าคุณแม่นะครับมีฉีดวัคซีนกันแล้วนไหมน่าฉีดวัคซีนกันแล้วใช่ไหม ฉีดวัคซีนกันแล้วครับแต่ติดไม่ไม่แน่ใจว่าไปติดมาจากไหนแต่ว่าผมกับคุณพ่อก็รอดครับ <Okay. S 2> อาจารย์โอเคก็ต้องระวังนะครับเข้าใกล้ครับอาจารย์แล้วก็ อ, อวันนี้ครับอาจารย์ตอนที่เดินกลับมาจากโรงเรียนครับก็เจอคุณลุงขอทานคนเดิมคราวนี้เราก็จะให้เขาโต ไม่มีอะไรจะให้ใหคเสียงไม่ชัดเสียงไม่ชัดเยเราไม่มีาพระอาจารย์ได้อินนะครับอ่าฟูดใหมู่ใหม่ตอนตอนเดินอ่าตอนเดินกลับอะครับพระอาจารย์อ่าอ่าเจอคุณลุงขอทานแล้วคราวนี้เราก็อยากจะบริจาคแต่ว่าเราก็ไม่มีเงินครับพอาจารย์เราก็เลยค้นในกระเป๋า เจอของอะไรที่มันพอใช้ได้แล้วก็ให้เข้าไปครับอาจารย์ก็ดเีเป็นทางเลยครับอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ก็ฝึกเรื่องอุเบกขาครับอาจารย์แล้วก็ตามที่พระอาจารย์ได้พูดก่อนหน้านี้ครับว่าเราลองแก้งทําเป็นโงโดด่ดูเราจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหากับใครครับรอาจารย์ครับอันนี้ก็คือพยายามฝึกอยู่ครับอาจารย์อ ส่วนเรื่องของโครงกระดูกก็เวลามีใครเดินผ่านก็จะพยายามมองเป็นสิ่งไม่สวยอะไรนี้แล้วก็จะพยายามดูรูปในหนังสือเรื่องกายรักตะตาสติของหลวงตาปูอะครับยังพยายามอยู่นะพยายามมองเห็นเวลาใครเดินมาคิดว่ามีโครงกระดูกเดินมาบนกระดูกคู่หนึ่งหลังเนื้อครับอาจารย์ตาเวลาผมเห็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์บางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกครับอาจารย์บางทีมันเป็นแบบ ภาพในหนังสือมันขึ้นมาเป็นภาพแบบศพอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อืมก็ได้ไดใการเคียงอยู่ครับอาจารย์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอืมครับมีเท่านี้ครับอาจารย์โอเคท่านี้นะครับขอบคุณคุณรับอ้าคุณศุภธนาบบร์จากบอเวนชบลบุรีกล่าวรการกาสการ์ดค่ะอาจารย์ เ อ, อวันนี้มีมีมีเหตุการณ์ที่ที่ว่าตัดสินใจถูกเจาก้าค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตถามอาจารย์นะคะคือเมื่อเช้านี้เจอนกพิราบในบ้านนะคะเขาเขามีดเขาเลือดออกก็ตกใจแต่ว่าเขาไม่ได้ดูว่ามีแผลเยอะไหมรู้แต่ว่าตรงท้องก็มีแผลก็กะว่าจะพาไปหาหมอเสร็จแล้วลืมมาลืมเอมาเขับขึ้นรถซื้อของเสร็จก็กลับมาก็เพิ่งจะพาไปหาเมื่อเย็นนี้แล้วทีนี้ คุณหมอดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาการอย่างนี้ไม่น่ารอดเอ่อถ้าจะรักษาไปก็ไม่แน่ว่าจะพิการหรือเปล่าและยมก็เลยคิดคิดเองนะเจ้าคะอาจารย์ว่าถ้าถ้าดูแล้วอ่ะอาการเขาค่อนข้างหนักข้อขาก็อหักแล้วแล้วแผลตรงที่เอ่อเป็นแผลเนี่ยติดเชื้อถ้ารักษาไปโอกาสหายก็น้อยโยมก็เลยให คุณหมอก็แนะนําว่าถ้าอย่างนี้ก็คือลดอาการปวดฉีดยาลดอาการปวดลดอาการอักเสบมันเป็นนกในบ้านนะคะที่เราไม่ได้เลี้ยงเขาบินไปบินมาอย่างนี้จ้าวพาจารย์ถ้าไม่พาไปหาหมอมันก็เหมือนเราใจร้ายก็เลยพาไปหาหมอแล้วก็ให้คุณหมอฉีดยามันเทาปวดก็ไม่คุณหมอบอกว่าไม่น่าจะเกินสองสวันเขาก็ตายอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าปล่อยให้เขาตายโดยที่เราไปทําให้เขาตายนะนะครับชา ก็เราก็ดูแลไปตามตามความเหมาะสมกันแล้วกันช่วยบราความความเจ็บป่วยของเราไปเจ้าค่ะส่วนเราไม่อย่าไปทําให้เขาตายกันแล้วกันเจ้าค่ะก็คือเราถ้าถ้ า, าเราไม่ไปเจอเขาเขาก็เขาก็ตายไปเองแต่บางเอิญเราไปเจอก็เลยพาไปหาหมอเพื่อฉีดยาลดแก้ปวดลดแก้ไอเสบ แต่ดูอาการว่าถ้าถ้าผู้นี้ยังยังอยู่ก็จะไปฉีดยาแก้อักเสบแก้ปวดให้เขาอีกอืแต่ว่าจะไปเ อ, อตัดขาหรือว่าเ อ, อดามขาก็คงไม่ดามคุณหมอบอกว่าคงจะเดินไม่ได้เพราะเขาคงจะพิการอันนี้โยมไม่ใช่ว่าไม่รักษานะเจ้าค่ะอาจารย์กลัวเป็นว่าเราเป็นแบบว่าปล่อยให้เขาตายไปโดยที่เราเป็นสาเหตุอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ ไม่หรอกถ้าเขาจะตายมันว่าม um, ันเรื่องของเขาเราไม่เลยไปทําให้เขาตายเพียงแต่ว่าเราเราก็รู้จะทาไงทาได้เท่านี้ก็ทําไปเท่าที่เราทําได้เดี๋ยวเป็นเรื่องเสหสุวิสัยไปะคก็พยายามพยายามคิดตามที่พระอาจารย์เคยสอนว่าเราเราก็คือทําดีที่สุดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เขาเจ็บเจ็บป่วย แล้วก็วันนี้เออ่ะจะรบกวนขอถามพระอาจารย์อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเอมีสติที่ที่ร่างกายอย่างเนี้ยเจ้าพระอาจารย์พอพอมันเห็นเอเหมือนกับเส้นเลือดห ร, อหรือหรือว่ากล้ามเนื้อเรามันมันมีความมีความเคลื่อนไหวเนี่ยอันเนี้ยเราพิจารณาหรือว่าเราเรารู้เฉยเฉยจ้าพระอาจารย์ ว่ า, วามันมีการ ไ, ไม่ต้องมองเข้าไปถึงกล้ามที่เปเส้นเลือดเอาให้ดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พองให้ดูแค่นั้นก็ใช่ไหมอาจาค่ะกําลังก็ทำอะไรอยู่ร้างชามก็ให้อยู่กับการร้างชาไปทำอะไรการงานมันจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็สติก็ได้พอที่เราต้องการไม่ต้องไปเลือกถึงดูเส้นเลื่อดดูโคงกระดูกดูดอะไรอนนั้นก็ดูได้แต่มันต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเจริญปัญญา แต่ตนนแตว่าฝึกบบสติเร<ำ>าเราไม่ต้องการที่จะใช้ความคิดนให้ดูกับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปให้ดูเฉยๆนะเจ้าค่ะอดูกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ดูว่ากําลังเดินกําลังอาบน้ำก็ดูกําลังอาบน้านไปอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นได้ในฝึกสติเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขา พใจแล้วเค่ะอขอบะะพร ะ, <Okay. S 2> พร ะ, ะคะะุณ เ, กกเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอ่าคุณปลาธนาพลอ่าเชญก็ธมนวัตกรรมเจ้าค่ะไปเยี่ยมไปเยี่ยมน้องมินน้าป่ะยช่วงนี้ไม่ได้เยี่ยมว่าช่วงนี้ช่วยหลาถวายหนังสือเจ้าค่ะอ่าเสียแล้วยังยังโอยังเหลืออีกหลายเล่มยังเหลืออีกหลายวัดนะคะก็ ค่ะกะ็เรื่องการปฏิบัติอตอนนี้เหมือนปาพยายามที่จะติดตามความรู้สึกของจิตให้ทันนะคะพระอาจารย์อย่างเช่นเวลาอะไรมากระทบอะค่ะหให้เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้พาา ร, ระอาจารย์ปาไม่เข้าใจว่าเวลาความความรู้สึกต่างๆที่มากระทบอะหาะ พระอาจารย์จัดการกับอารมณ์ตรงนั้นยังไงคะเราต้องมีเครื่องมือไงเราต้องมีเครื่องมือจัดการเครื่องมือก็คือสติกับอุเบกขาถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ก็จัดการกอารมณ์ไม่ได้ครับอืมถ้าสติตามทันแล้วสติเห็นแล้วแต่มันยังจัดการไม่ไม่ลงอะคะพระอาจารย์เพราะสติยังไม่ไม่ไม่มากพอต้องฝึกสติให้จิตเป็นรวมเป็นสมาธิให้จิตนิ่งให้ได้ ต, ต่อไปเวลาไปเห็นอาไรมันสั่งจิตเนิ่นเฉยๆได้ อ, อ, ไดอืมถ้าจา่าแล้วถ้าเกิดมันเฉยเฉยจนไม่มีอารมณ์เลยอย่างเช่นเพื่อนปลาค่ะคนน้อยใจเราน้อยใจจนแบบเขาโวยวายเขาโวยวายเราก็เฉยอ่ะค่ะคือไม่รู้สึกอะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็เลยร้องไห้ออกมาแต่ปลาก็เลยมองตัวเองว่าเอ๊ะทาไมเราไม่สงสารเขาก็ไม่รู้อ่ะเราเฉยเฉยอะค่ะอ่า มันเลยมาถามว่าเอ๊ะหรือเราไม่เราเม่ตาเขาไม่พอหรือเปล่าเราเลยรู้สึกเฉยๆค่ะอย่างนี้ก็ไม่เฉยแล้วถ้าเรามานั่งคิดอย่างนี้มันก็ไม่เฉยแะ้ถ้าเฉยจริงมันไม่คิดอะไรก็เลือกปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปอือตอนตอนที่เราฝึกบุเบขาเราไม่ได้ฝึกเมตตาไม่ใช่หรอกเมตตาก็มีแต่มันไม่ถึงเวลาจะใช้เมตตาก็คืออาเวลาเจอเขาก็ทักทายก็ยิ้มแย้มจะมีอะไรก็แบ่งกันกินฮะเขาเมตตา แต่เวลาที่เขาทาอะไรแล้วเราไม่ไปรู้สึกอะไรกับเขามันก็เป็นอุเบกขาเป็นคนละวาละะคนเราไม่เหมือนกันก็คือเราด่าเขาเราด่าแล้วแล้ก็เฉยนี่เราไม่ได้ใช้เมตตาแล้วเราเฉยเราใช้อุเบกขาอือเราไม่รู้สึกโกรธเขาไม่รู้สึกเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้สึกโกรธเลยค่ะอ่ือครับอุเบกขาคือมันต้องมันมันมีวาระของการใช้ของเราเนี บทีเมตตากับเมตตากับอุเบกขามันอยู่คนละอยู่คนละมุมอะไรเงี้เอเวลาใช้เมตตาแล้วก็ไม่ค่อยใช้อุเบกขาแต่เราใช้อุเบกขาแล้วก็ไม่ใช้เมตตาอืมถ้าจางแสดงว่าตอนที่เขาโกรธเขาเขาวีนเราอย่างเงี้ยแล้วเราเฉยอันนี้เราถูกละคือเราอุเบกข า, าแต่ว่าอ่ะเขาโกรธจนเขาร้องไห้ เราก็คือก็ยังเฉยอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ต้องไ ป, ก, ปก็ต้องดูว่าคนจะพูดหรือไม่พูดคนจะทำอะไรไม่ทําว่าทำแล้วมันจะทําให้ดีขึ้นเร็อหรืลงถ้าทําแล้วมันเกิดเร็ลงก็อยา่าไปพูดอยา่าไปทำอะไรอย่าเไปเยาะเย้ยเขาอีกอะไรอืมมันมันเบื่อไปเลยมันเบื่อคะ่ะพระอาจารย์ก็แล้วกนยุ่งกับคนไปอย่างเงี้ยยุ่งกับกิเลสไปเยอะต่อไปมันก็ไม่อยากจะยุ่งกับกครค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ <Ha? S 2> ทำไงก็บางทีก็เอาใจไม่ถูกก็โกรธทำนี้ทำมันเป็นอารมณ์นะเฉยก็โกรธถ้าไปทําเป็นทําไปเป็นสงสารก็เริ่มไปเห็นอกเห็นใจเขาเดี๋ยวก็โกรธอีกนนี้ก็คือเราก็ทําเฉยแล้วเราก็รับรู้ไปตามความเป็นจริงว่าเราก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็มีโอกาสที่เจอแบบนี้ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์อืมค่ะถ้าช่วยเดี๋ยวก็แลื่กระชวยเดี๋ยวก็ไปอะไร อืมค่ะถ้าช่วยแวไม่ได้ก็ช่วยก็ช่วยไม่ได้เถือว่าเป็นเหตุสุดวิ ส, สัยไปค่ะค่ะค่ะเจ้าค่าะอันนั้นเป็นเรื่องของความเมตตาช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ก็ ก, ก, กต้องทำได้ไปนดูเบี้ยขาไม่เฉยเฉยไปอือเจ้าค่ะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะโอเค แต่ถ้าเรายังมาวิตกกับเขาอยู่นี่เราก็ยังแจ้งได้ก็ยังไม่เฉ่ตลอดอาจารย์มันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไม่วิตกกับเขาเลยเขาแจ้งได้เราบอกเขาค่ะอาจารย์มันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราทําถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แสดงว่าเรายังไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจแต่ความรู้สึ ก, ก่เฉยๆอาจารย์รเรารู้สึกเฉยๆแต่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราควรจะทําอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วก็ควรไม่ควรมีอะไรทําได้หรือเปล่า อืมอะจริงๆเฉยสบายกว่าอ่วเราไม่รู้เราไม่เฉยดีกว่าอย่าไปเสียงอย่าเกิดไปทำอะไรการเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปก็ได้อืมเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ ะ, ะล้วก็การไบ<ห>ที่คุณเต่าเราไม่ใช่คุณตายแล้วเปลี่ยนชื่อคุณเต่เาพัทยาปฏิบัติแบบเต่านี่เราปฏิบัติแบบกระตายนะ ก็ค่ะน้องการนวัสการครับพระอาจารย์ขอบพรคุณสาหรับชื่อใหม่ครับพระอาจารย์กานปฏิบัติไม่หยุดไงแต่มันช้าแต่มันไม่หยุดกระต่ายมันเร็วแต่มันหยุดด้วยก็เป็นทั้งเต่าทั้งกระต่ายครับะอาจารย์พยายามพยายามแล้วก็พอมันเบื่อมันก็มีหยุดบ้างเหมือนกันพระอาจารย์ก็มีทักได้น้องดา ก็มีพัพก่อนพนั่งมวยก็ยังมีภาพยกกันเลยใช่ไหมกลับค่ะว่าคนกําลังใจ้ค่ะอาจารย์แต่อย่าพังมากเกินไปนะทั้งเกิดความขี้เกียจขึ้มาแล้วกันพลังได้อยู่พอมีแรงแล้วกลับไปรวยกันใหม่ก็ค่ะพระอาจารย์เห็นว่าโยอมก้าวหน้าไหมคะอาจารย์ก้าวถ้ามางีทุกเคยกันแสดงว่าก้าวหน้าแล้วเนี่ยพอาะความเทศนทุกเคยนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าแล้ว คําขอบคุณค่ะดีกว่านั่งไปดูละครคืนนี้ละครโปวดมาปากเล่คุณไม่ได้ไม่ได้ดูมาเป็นสี่ปีแล้วค่ะพ่าจาอจ๋าค่ะ<า> <c oughs> ก็แต่ดูข่าวดูข่าวบ้างแต่ก็ไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูละครพยายามลดการบันเทิงให้ลองให้มันเป็นเหมือนยาเสพติดพวกบรรเทิงเนี่เสพก็มั น, น, น, มนติดเวลาทานแล้วมันรู้สึกหมดหงุดหง ค่ะโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์โอเคสาัุขอพุ่งพิเศษเดี๋ยวพิชอ่าะรอนะกอนตะกนครครับพระอาจารย์พรอาจารย์บอกน้องคายผมเลยต้องได้ไปทางานที่นองคายเลยครับตอนนี้ไปทำงานที่สีเชียงใหม่ครับอาจารย์เชใหใกล้ๆว่าถิ่นักแป้ง ครับครับเคยไปไหมว่าเหไรไปเคยไปครับตอนนั้นปุถครับก็มีครูบาอาจารย์อยู่สององค์ตรงนั้นนะเขาไปกาศกันสองคิวครับปุเหรียนด้วยครับบุบุเหรียนผมฟังฟังเทปท่านประจำครับอาจารย์ท่านเสียแล้วใช่ไหมครับเสียนานเลยฮะครับก็เห็นคนแรกที่เขาสอบถามพระอาจารย์เรื่องการกับเพื่อนครับอาจารย์อ พระอาจารย์ก็อธิบายว่าเหมือนน้าที่อยู่นิ่งๆก็ไม่มีการกระเพื่อมแต่ถ้ามีอะไรตกลงไปก็เกิดการกระเพื่อมแต่ในจิตของคนเราเนี่ยเวลาที่โดนกระทบเนี่ยอเสียส่วนใหญ่ก็จะกระเพื่อมไปตามอารมณ์ที่กระทบไปเคือมันกระเพื่อมตลอดเวลาเหมือนน้ำในทะเลมันขึ้นตลอดเวลาจนกระมันไม่รู้เวลาแล้วกระทบเรื่อไย่กระทบเพร่าจิตมันกระเพื่อมตลอดเวลาตัวที่จะทําให้มันไม่ไม่กระเพื่อมคืออะไรครับพรอาจารย์ สติกับปัญญาเนี่ยครับคนที่เขามีสติที่ดีแล้วสมบูรณ์บุญแล้วเนี่ยจิีก็จะนิ่งเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยกระพไม่ค่ยไม่ไม่ค่ยวู้ว่ากับใครคนนี้ไม่มีสตินี้ ม, มันเป็แนแรงเต้นกางอยู่เลยมันจริงหลีกใครไปอย่าหนห่อยฮะจขึ้นมาเลยครับถ้าดูในโซเชียลเนี่ยใครไปโพสอะไรขึ้นมาหน่อยโอ้จริงหลีกออกมาเยอะเปหมดเลย ทัวร์ลองก็เลยทัวร์วลงไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของไม่รู้จักกันเท่าไหร่ไม่ไม่เกี่ยวันเท่าไหร่ ย, ยังมาลงโพสยิ้มว่า ก, กันด่ากันสนุกกันสนุกป่ากันแต่แต่พวกที่เขาเทํากิจให้ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาเขาโดนกระทบบางทีรู้สึกเขาจะใช้ปัญญาเดินไปหรือเปล่าครับอาจารย์ก็แล้วแต่เขาใช้ถึงขั้นปัญญาหรือยังยังไม่ถึงขั้นปัญญาเขาก็ใช้สติ บางทีบางทีเราคุยเรื่องไร้สาระเขาจะนิ่งเฉยอยู่เลยพระอาจารย์ก็จะมองไม่มีประโยชน์แล้วก็ตัดเบรก ข, ขาลงไปเลยหรือเปล่ า, าไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่บางทีเขาก็บางทีก็โดยมารยาทเขาก็ฝังฟังไปไม่ให้เสียมายใช่ครับแต่อาจารย์เขาเเฉย่ๆเขาจะไม่มาตอบโต้ม <พอ S 1> า, าร่วมกับเราร่วมไงครับร่วมสัะงคมกับเราง่ายๆ ได้ยินเสียงอือๆอยู่แต่ไม่พูดอะไรครับอาจารยผมก็เอพอจะเข้าใจว่าท่านดูแลใจของท่านอยู่มผมไม่ได้ไม่มีอะไรประมาณนี้ใช่แต่ไม่สนใจคนอะื่นสนใจเรามากกว่านี่ครับใช่ครับแล้วเอ๊แล้วเอพวออกที่เขาฝึกกิตมาดีแล้วเวลาเข้าไปอยู่ในป่าช้าแล้วกลัวผีเี่ยเขาจะทํำยังไงครับปราชญ์สมมติแล<ด>้วเขาก็ไม่กลัว ถ้าถ้ากลัวก็แสดงว่ายังไม่ดีถ้าเกิดมันกระเพื่อมขึ้นมานะครับอาจารย์เขาก็มีวิธีไม่สติเขาก็ใช้ปัญญาสติเขาก็พุทโธพุทโธไปไม่ให้ไปคิดเรื่องที่กลัวเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าใช้ปัญญาเ็าบอกว่าอย่างมากก็แค่ตายว่ากิมาแล้วก็ต้องตาย เอ๊ะแล้วทําไมเขาคิดว่าแค่ตายแล้วทําไมเขาเบียดขาลงไปได้ล่ะครับอาจารย์ทําไมเราก็คิดได้เหมือนกันแต่เบีขาลงเราไม่มีสติเลยเราไม่มีสติตามเราไม่มีสติเหมืนไม่มีสติตามตามตามปัญญาเนี่ยมันก็เลยมันไม่มันไม่เชื่อเปลี่ยนไม่อยากเชื่อปัญญามันก็มันก็ไม่ลงมันก็ไม่สับ เรียกเรียกวง่ายว่ากำลังสติไม่พอก็เลยยอมรับปัญญาคนนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดได้มั่นกันแต่เขาต้อ ง, ตองสติมาก <c oughs> ก็ให้มากก่อนถึงี้ไปใช้ปัญญาได้ครับครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครั บ, ออาารบลุกพระอาจารย์เป็นชื่อโ อ, โอปาวโอปาวชื่อใครเลยรู้เหรอน้โอปาวรครับอ๋อชื่อชื่อคุณแม่เขาครับอันนี้คอมคุณแม่ครับแม่แม่โอปอฮะ พ่อชื่อนอตฮะส่วนน้องชื่อน้องจริงฮะจอรออิงเอาจริงน้องจริงสวัสดีน้องจริงอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ครบหกแล้วพอหนึ่งแล้วพอหนึ่งครับอาจารย์น้องจริงมีคําถามมาครับเขาเขียนพยายามเขียนมาแต่ว่าอ่านเองไม้รู้เขาถามว่าเขาถามผมครับแล้วก็ผมไม่สามารถหาคําตอบที่ถูกต้องได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรารอมามาถามพระาจารย์เขาถามว่านิพพานคืออะไรครับอาจารย์ อ๋อนิพานก็เป็นเหมือนบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยไมร้อนมีแต่ความเย็นครับสบายออบ้านนี้ก็คือใจของหนูเนี่ยเวลาดูมีใจเย็นหนูมีใจคมครับสงบเยก็เป็นนิพานขึ้นมาเข้าใจไห ม, ไมหนูมีความเย็นไหมใจเย็นไหมใจสบายไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมครับ เขินอยู่ครัแล้วเขามีอีกคาถามหนึ่งครับอาจารย์เขาถามว่าแล้วทําอย่างไรหนูถึงจะได้ไปถึงจุดที่ไปถึงนิพพานได้อะไรเงี้ยครับ อ, อ๋อก็นต้องตัดกิเลสอย่าไปอยากเร้อนู่ น, น, นอยากได้นี่อย่าจู้จี้จุกจิกเฉยเฉยมีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้ทําใจอย่างนั้นได้อะไรก็ได้ไม่ได้อะไรก็ได้เข้าใจไหย ยินดีตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดคุณพ่อจะให้อะไรก็เอาไม่ให้อะไรก็ไม่ว่าอะไรสามวันจะวันเกิดแล้วอมันเกิดก็ไม่หวังได้อะไรไม่จะมาอะไรคุณพ่อจะให้อะไรก็ได้ไม่ให้อะไรก็ได้คุณพ่อจะใหหห้้้้้นกก็็ไไไดดม่เอคุณพ่อจะาไปเที่ยวก็ไดไม่พาไปเที่ยวก็ได้ถ้าทำนี้ใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุข ใช่ก็จะเป็นนิพานขึ้นมาเป็นบ้านที่มีแต่ความดีอาจารย์ครับแล้วผมพอดีผมเป็นเป็นหมอผ่าตัดเป็นน้องของพี่วีรพันธ์ครับเป็นหมอผ่าตัดสมองอันนี้คําถามของผมเองเป็นเป็นรุ่นน้องเป็นน้องชายเป็นเป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องคุยกับแล้วผมงานที่หนึ่เป็นรุ่นน้องครับก็ออฟตอนนี้ผมอยู่ชมบุรีครับผมประจําอยู่โรงพยาบาลชมบุรีนี่แหละครับอาจารย์แต่ว่าคําถามก็คือเวลาที่เราทํางานหรือว่าเรา เราเจอคนไข้หรือเราผ่าตัดเนี่ยเราก็พยายามพิจารณาให้มันให้มันเกิดปัญญาโดยที่ก็มองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายให้มันเกิดความให้มันเกิดความเบื่อให้มันเกิดความเข้าใจแต่มันเหมือนกับมันเข้าใจด้วยด้วยด้วยสัญญาด้วยด้วยความท่องจำอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันมันไม่มันไม่อินหรือว่ามันยังมันก็ยังมีความทุกข์อยู่มันก็ยังรู้สึกอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์ เราต้องการจะต้องการอะไรจา ก, การพิจารณาของเราคือจริงๆอยากให้อยากให้บางทีเวลาที่ทําเวลาทํางานก็ทําเต็มที่นะครับแต่ว่าเวลาเจอคนไข้แย่มาถึงอาการไม่ดีเราก็เดทเนี่ยเราก็ยังรู้สึกแป๊วๆรู้สึกแบบทําเต็มที่เร า, เรายั ง, ยงไม่เห็นนะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของของางานกายอ๋อครับเป็นเรื่องของธรรมดาร่างกายถ้ารักษาไม่หายมันก็ตาย ไม่น่าไปรู้สึกเสียใจถ้าเราทําหน้าที่เราสมบูรณนะ์แล้วถูกต้องแนละ้วเป็นเรื่องของสุดวิสัยไปพระเจ้าบอกคนเราก็มีโรคอยู่สามชนิดนะชนิดแรกคือเป็นแล้วก็หายไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้โรคหวัดโรคอะไรเนี่มันเป็นแล้มันก็หายโรคชนิดที่สองนี้เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายะ โลกที่สามเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่ตายอย่างเดียวน้องก็มีแค่สามโลกเนี่ยเดี๋ยวจะเจอหนักๆแบบที่สามแล้วก็มันช่วยมันเซยไปเวลาทําแล้วก็ต้องยอมรับสภาพมันเป็นเรื่องเรื่องของชนิดโลกชนิดที่สามหมอวีเยงที่ไหนก็ทําไม่ได้ช่วยไม่ได้ถ้ามันจะตายรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายอย่างเดียวเอ่ อาแค่สามโนงนี้ก็พอสบายใจดีเดี๋ยวเราปวดมาก็าเอายาแก้ปวดหัวไปกิ น, นอล้วก็หายถอาขอทั้งตอนไม่ต้องมาหาหมอก็ได้ความจริงเดี๋ยวมันก็หายเอย่างเราเป็นหวัดเราไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปข อ, อยาก็ปล่อยมันหายใช้ธรรมะโอสถทำใจเราให้อย่าไปทุกข์กับมันนั่นเองขอบคุณครับพันธครับ พรยามรับสภาพว่าน่างกายมันไม่เทีย่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันใดวันหนึ่งไม่ว่าใครก็ตายจะมีหมอวิเศษมียาวิเศษขนาดไหนก็ยามยามผับาตายไม่ได้เมื่อถึงเวลาของมันก็นทําให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่ถ้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็บอกก็้าไปว่าอยากไปรักษาเลย แต่บว่าจะพูดไม่ได้มันจะดาวมันความคาดหวังเขาก็อีกแบบหนึ่งครับอาจารย์เราก็เลยไม่รู้ใจเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันผมก็ไม่รับปากอะไบอกว่าไม่ยากทาให้ดีที่สุดก็แล้วบางทีเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเบอร์สามเป็นแบบที่สามแต่เขาก็คิดว่าเป็นแบบที่สองเรื่อยเลยอะไรเงี้ยฮะเราก็มันไม่ตรงกันก็ทางโลกก็อย่างนี้นะทางโลกไม่มีใครอยากจะตายไหนะรักษาหายกันก็รักษาไป ทำด้านเทียวมาไปโอเคนะมีท่านเยอะใครแนะนำให้เข้ามาคุยอเลยหมอวีรพั์อ๋อพี่วีรพัน์นะครับครับนี่นี่ก็เพิ่งกลับไปในมาอยู่วัานีสองคืนใช่ใช่ครับวันนี้ก็เลยคุยกันพี่วีรพัน์เลยบอกว่าเออถ้าถ้าไงเราเอาคําถามลูกน้องจริงมามาถามพระอาจารย์ดูเพระผมก็ไม่กล้าตอบจิดๆถูกๆกลัวมาจะตอบก็คิดพูดอันธิบายแบเปรียบเทียบให้ฟังครับให้เขาเข้าใจง่ายๆ แต่เด็กตอนนี้ยังไม่เข้าใจอะนรอย่าขอวผมครับ็นแปลจะได้ยินคำว่าที่พายก็เลยไมู่กเป็นอะไรเพราะไม่มีใครเขาพูดถึงกันโอเคนะครับคุณคมเนธคมเนธจากญี่ปุ่นคนแอร์คนอร์เชิญค่ะกลาวนามสการค่ะพระอาจารย์ วันยังไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้เข้ามาร่วมรับฟังค่ะอ่าไม่มีอะไรนะฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็กลับเมืองไทยไปลายปีนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไปกลับพระอาจารย์ที่ชนบุรีนะคะอ่าใช่ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องค่ะอ่าได้โอเคกาบสาธุข้ามอ่าถับใหม่ใหม่หรือไม่ใหม่ได้ยินไหมครับ เปิม่หน้านะครับห่ชายไมล์ M A I <Okay. S 1> อยู่กับใคร อ, อยู่กับคุณแม่คุณแม่ปมาปยใหม่อยู่มุทชายดากด บ, บุ่ม unmute microphone โอเคดูได้เลยุณได้หน้าเช่ ไม่ได้ยินเสียงพูดอะไรยังลองพูดดูไหพูดดังๆได้ไหมไม่ได้ยินเสียงไม่ทํางานนะไม่ไม่ทาํทางานสวัสดีค่ะอาได้ยินแนละ้วมามาอ๋อพอดีว่าลูกชายกฎค่ะก็เลยมีคําถามจะถามพระอาจารย์พอดีเลยค่ะก็คือว่า ตอนเนี้ยฝึกนั่งสมาธิทั้งตัวเองแล้วก็ลูกค่ะโดยการให้เขากำหนดลมหายใจที่ท้องค่ะก็น้องก็นั่งได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอดีว่ามีอยู่มีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะมีเพื่อนชวนไปหาพระรูปหนึ่งอะคะ่ะแต่ว่าพระรูปนั้นน่ะสอนลูกชายนั่งสมาธิแบบว่าให้น้องขึ้นไปสวัสดนะคะ่ะ ก็คือเหมือนกับว่าบอกให้เด็ก่ะคะนึกถึงพระแล้วก็ให้ไปที่ประตูในนั้นจะมีสวนมีต้นไม้มีมะม่วงมีบ่อน้าแล้วก็ให้เด็กกินผลไม้มมไปที่บ่อน้าแล้วก็จะมีได้เจอเพื่อนๆคะ่ะทีเนี้ยเหมือนลูกชายเขาก็บอกว่าเขาอะไปได้จริงๆคะ่ะ ก็เป็นความเชื่อทางหนึ่งเป็นความเชื่อเป็นความคิดของเขาไปค่ะก็พอกลับมาบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลองนั่งเองแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะชอบชอบกว่าการที่ที่แม่สอนแบบที่ให้เขากําหนดลมหายใจที่ท้องอะค่ะอืแต่ทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่าส่วนตัวคิดว่าการกําหนดลมหายใจมันก็ควรที่จะอยู่ที่จิตปัจจุบันขณะ ที่ลมหายใจเราก็เลยคิดว่าวิธีการนั้นอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะ่ะวิธีการที่คิดไปว่าไปนุ่นมานี้ใช่ไหมใช่ค่ะอแต่มันสําหรับเด็กเด็กเขาไม่เข้าใจเด็กเขาก็เขาเห็นภาพเขาก็เลยเชื่อตามที่เขาคิดที่เขาถูกสอนให้คิดไปให้ค่ะทีนี้เด็กอะคะ่ะลูกชายเขาก็มาถามแม่ะคะ่ะเขาก็บอกว่ามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการที่ท่านนําแล้วมันเป็นเหมือนมโนอะคะ่ะ แล้วก็มาโดให้คิดไปแล้วกะปรุกแต่งไปจินตนาการภาพไปอะก็เลยก็เลยอยากจะสอนลูกตรงเนี้ว่าตรงนั้นอ่ะเขาอาจจะจินตนาการไปเหมือนเหมือนการที่เขาอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะเลยอยากอยากให้เขามาที่เเหมือนเหมือนฝั่งคนเจ้าเล่าการ์ตูนเล่าเรื่องให้เราฟังแล้วเราก็เชื่อตามตามเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังไปนีเข้าใจยังครับเข้าใจยังครับเข้าใจเอะบอกน้องเซนเข้าใจนะครับ เข้าใจแล้วนะครับเป็นเหมือนการ์ตูนเนี่ยเหมือนดูการ์ตูนเหมือนฟังก็คนเขาเล่าเรื่องนิทานเราฟังนั่นเองมันไม่ได้เป็นความจริงมั น, มนเป็นความคิดของเราครับวนเกับาที่ให้หนูนั่งสมาธินี้เพื่อให้หนูให้ใจนิ่งๆไม่ให้เป็นริงไม่ให้คิดคิดแล้วใจมุ่นวายพอหนูหยุดคิดแล้วใจหนูจะเย็นจะสบายแค่นั้นแหละก็จะเวลานั่งสมาธิ เพื่อพักใจพักพักผ่อนจิตใจพักพักความคิดความคิดเราคิดมากๆแล้วก็เหนื่อยทีค่คิดแล้วไม่สบายใจก็อยากไปคิดค่ะค่ะนั่นก็มีค่ะเข้าใจเราใช้ไหมลูกกราบกับขอบคุณมากจังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านเหรอคะเอออยู่บางประกงฉะเชิงเซาค่ะอเพิ่งเข้ามาครั้งแรก เพ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะมีมีพี่กัลยาณมิตรในกลุ่มเชิญเข้ามาค่ะโอเคเด็กครับพ่พืก้ถ้าเด็กย่างเด็กกันไปก็ให้เขาฝึกสวดมนต์กปก่อนกะสอนให้ญญเขาจรืการสวดมนต์ไปก่อนค่ ะ, ะสวดมนต์ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งให้เขาไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆค่ ะ, ะสวดอีทีพิโซได้ไหมสวดบทสั้นๆอีทีพได้ไหมได้ครับนะ ครับได้ครับโอเคครับครบกลครับค่ะขอบคุณค่ะมีมีครับไปที่คอนสลินตันกลับไปที่อเมริกา U S A ในเวลาเกััาอาจารย์วันนี้โยมทากันบ้านมาแล้วค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ถามพระอาจารย์ถามโยมว่าแมรแลนด์ทาไมถึงชื่อแมริแลนด์ครับมาอย่งไงเลยมาอย่างไงโยม โดมไปกูเกิเรียบร้อยแล้วค่ะสมัยที่สมัยที่ล่าอนานิคมอะค่ะคือแมรี่แลนด์เป็นสเตทสามสเตทที่เป็นเหมือนกับเป็น first colonization ของประเทศอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เ็นสนทิเซนสนทิสัญญาเขาก็เลยตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติกับพระราชินีของคิงชาล์ค่ะเป็นเป็นภรรยาเป็นภรรยาค่ะเป็นเอาที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผาเป็นพระธิดาของคิงเฮนรี่ที่สี่ของฝรั่งเศสนะคะก็เลยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติเรียกแม่แมทใช่ค่ะเป็นแลนด์ของแมรี่จริงๆ้วสองสองรัฐที่ที่ที่เกี่ยวข้องกันเรื่ชื่ออะไรออสองรัฐไหนคะพระอาจารย์คือมันจะมีรัฐตั้งแต่นิวแฮมเชียร์ลงมาถึงจอร์จีเลยค่ะสิบสามรัฐใช่สิบสามรัฐใช่สิบสามแล้วก็ ค่ะโคลัมบัสเขาก็มามาที่อ่าดูเวนเนีย์บีช่ะคะตอนที่เข า, าเ ข, าข้าขึ้นอเมริกาขึ้นฝั่งใช่ค่ะก็อยู่อยู่ห่างจากโยงประมาณสามชั่วโมงกว่าๆค่ะอ่าค่ะยม ก, ก, ก, ก็ไปทํากันบ้านเรากันดีดเผื่อเขาตอบได้ดีเราก็ลืมไปแล้วตันการบ้านเลย เด็กกระสนาว่าตั้งชื่อให้เป็นเกรติกับภรรยาของพระเจ้าเป็นดินนายกนั้นนะใช่คะ่ะใช่ค่ะพรอาจารย์ใช่คะ่ะชาวที่หนึ่งชาวที่หนึ่งค่ะตอนตอนนั้นท่านเป็นกษัตริย์ของอังกฤษกับไอร์แลนด์ด้วยกันนะครัตอนนี้ก็ตอนนี้พระเจ้าอเป็นมีการชื่อชาวเหมือนกันเนี่ยชาวที่เท่าไหร่ที่สองที่สามใช่ค่ะใช่ค่อาจารย์อส่วน ในเรื่องของการปฏิบัติอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็คือยมรู้สึกว่ายมสงบได้ดีอะค่ะพระอาจารย์เหมือนอย่างเวลาที่มีเรื่องมากระทบช่วงนี้ก็จะมีงานเยอะมากเพราะเป็นช่วงหน้าหน้ายุ่งของกิจการที่บริษัทของยมก็จะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามากระทบแต่พอกลับมานั่งสมาธิพอออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหายไปหมดเลยไอ้ความขุ่นเคืองความ ความหงุดหงิดความอะไรมันไม่มีจนกระทั่งหยุดคิดถึงมันกหายไปอ่าแปลกใจเลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้เรายังหงุดหงิดมันหายไปหมดเหมือนไม่มีเลยอะค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสติมันดีขึ้นนะคะเวลาล้างจานทำอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองว่าการอดอิรยาบทย่อยต่างๆขึ้นมาละเอียดมากขึ้นนะค่ะพระันก็รู้สึกดีค่ะพระจานทร์ เห็นประโยชน์จากการมีสติแล้วนะช่วยเคลียร์อารมณ์ต่างๆออกจากใจได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ใช่ค่ะพระอาจารย์จนเราตกใจวเฮ้ยเมื่อกี้นี้วันนี้มันนี่เมื่อกี้นี้นี่เมื่อกี้เรายังหงุดหงิดอยู่เลยนะมันมันไม่มีเนี่ยมันเปลี่ยนแอปต่างๆในเครื่องบางทีเปิดแอปแล้วก็ปวดหัวปลี่ยนไปใชอพระอาจารย์แล้วบางทีเวลาเรานั่งสมาธินี่มันการรู้สึกตัวนี่มันรู้แล้วมันหนัก มันหนักไปทั่วค่ะพระอาจารย์ตอนแรกมันมาจากมันมาจากหน้าวัดหน้าผากลงมาที่จมูกพอกําหนดลงมาที่กลางตัวมันก็ลงมากลางตัวเพราะคราวนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันแน่นไปอะค่ะพระอาจารย์แต่มันแน่นไปด้วยตัวรูอะค่ะมันมันมันรูไปหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์มันหนักก็เปล่ามันแน่นมันหนักไม่ว่ามันเบามั้ย แล้วนี่โยมต้องแก้ยังไงอะคะอาจารย์โยมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนฐานมาเป็นที่อื่นแทน่ะถ้ามันอยู่จุดเดียวมันอย่าไปอย่าไปโยมไย้ายมันมันอยู่ที่ลมหายใจที่ปายจบูกไม่อย่างงั้นมันก็จะแน่นอยู่ตรงคือตอนแรกเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ตรงหน้าผากแล้วมันก็ลงมาที่พอกําหนดที่ลมหายใจมันก็มาเหมือนมันรู้อยู่ตรงลมหายใจเพราะมันมันก็เลยกลายเป็นว่า มันมั น, นแน่ น, อ, นอยู่้างหน้าตอนที่นั่งสมาธินี่ไหในตอนไหนตอนนั่งสมาธิค่ะอาจารย์ตอนนั่งสมาธิก็ดูที่ปลายจมูกจุดที่เราสัมผัสเข้าออกต้องนั่งเป็นชั่วโมงอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะให้มันเบาลงอะคะ่ะแล้วพอมันเริ่มเบาลงไม่แต่ว่ามันใช้เวลานานกันนะคะอ<พ>าจารย์แสดงว่าสติเราไม่ไ ม, ไม่ไม่กระชับไม่ต่อเ น, นี่อง เผอไปคิดดังนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาเร็วลงแล้วกลับไปคิดดรงนั้นเรื่องนี้มันจะใช้เวลานนาถ้ามันดูอย่างต่อเนื่องนะมันจะใช้เวลาไม่นานอ๋อหรอค่ะพระอาจารย์คือแต่หลังจากชั่วโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยมันจะเบาอ่ะค่ะแต่เพียงแต่มันใช้เวลานานกว่ามันจะเบาเ่ะแต่เราคุมก็คุมความคิดไม่ได้อย่างต่อเนื่องนะมาไปคิดดังนั้นมาไปคิดเรื่องนี้แล้วกลับมาเร็วลงแล้วก็แวบไปใหม่แวบไปแวบไป มัใช้เวลาแต่ถ้ามันอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปไหนในห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบได้ที่ข่าจพัชาแต่เหมือนกับโยนต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะกลับมาอยู่ตรงลมเหมือนมันต้อ ง, งดึงสติยังไม่มีกําลังมากค่ะการฝึกสติแต่หลังจากก่อนจะมานั่งเนี่ยเวลาทําอะไรก็ฝึกสติไปเรื่อยๆค่ะแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคย ไม่เคยไม่เคยตกพวังหลับไม่เคยอีกเลยอะค่ะไม่ไม่มีเลยก็มีแต่ลูกถ้ามีสติมันจะไม่หลับถ้ามีสติมันจะไม่หลับค่ะพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็เป็นประมาณเนี้ยค่ะก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะนั่งตลอดเวลาอืว่างเมื่อไหร่ก็สงบบ้างไม่สบาบ้างก็พยายามนั่งไปสงบบ้างไม่สงบอยู่ที่สติแต่เหมือนกับว่าเวลาใช้ชีวิตประจําวันมันจะมันจะรู้มากขึ้นเวลาที่มีอะไรมากระทบ ก่อนที่เราจะเหมือนกับมีอารมณ์พุ่งก็แสดงว่าก้าวแล้วนิ่ง <C> e <ating> อืาก้าวหน้าค่ะแล้วก็แล้วก็วกเร า, เร า, เ, ราเรามีจิตที่สงบมาแล้วมันจะซ้ำมาไลายมาทำให้จิตมันไม่ได้มันก็จะรู้ทันทีมันชัดขึ้นใช่คับใช่ค่ะ ก็ไม่มีความอยากไม่ไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปไหนบางทีโยมมาคิดว่าเอ๊ะเราผิดหรือเปล่าเห็นเพื่อนๆไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กินนั่นกินนี่เราผิดเราผิดเราไม่ไปเราเราลืมเราไม่มีความอยากไปก็โทรกิเลสหลอกไงกิเลสหลอกให้ไปไปแล้วก็กายหน้าผากหางเงินที่ไหนไปเที่ยวต่อดีเนาะไม่เที่ยวแล้วก็มีกะเป๋าตลอดเวลาเต็มเต็มก็เลย สาธุกับพระอาจารย์ยมจะได้รวยค่ะใช่รวยเพราะเราไม่ใช้เง<ม>ินถ้าใช้มันก็ไม่มีวันรวยใช่ค่ะแล้วก็เวลามองคนก็พยายามมองให้เป็นโครงกระดูกตลอดเวลาก็พิจารณาอาการสามสิบสองเนืองนือานานจะได้ไม่ไปหลงรัาเขาไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะกเ็เห็นโทษของ เออมันก็มีแต่โครงกระดูกมันก็เท่านั้นเองจะโกรธจะเกลียดหรือว่าจะทะเลาะ ก, กันไปมันก็สุดท้ายก็ตายกันหมด อ, อไม่มีประโยชน์นะคะไม่มีประโยชน์ได้ปัญญาเห็นตายละเห็นแล้วเห็นจัดทุก ข, าาข้านันตาค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกกขอบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะรู้สึกว่ามันการที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ทําให้โยมมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจแล้วว่าต้องการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเราก็จะทําต่อไปเรืยค่ะพระอาจารย์ ก็มอาจารย์สายิพอาจารย์สทพเมอนี้ก็จริงจังขึ้นผมไม่ยัไม่กล้าประกาศต่อชาวโลกยังกล้าขนาดแต่ก็ทาไปเรื okay, ่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นนะครับกราบขอบพระคุณพระ่าค่าคนิงจาคูนิงจากพัทยาคุณครูยังสอนอะไรอยู่ป่าวครูสอนสอนอะไรคูนิงทางภาษาอังกฤษนะ ค่ะสำข่กกาววัฒนธรรมอาจารย์ค่ะสำาษังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอะค่ะอาจารย์ส อ, อนเด็กแล้วสใหญ่งสอนสอนผู้ใหญ่กับเด็กก็สอนค่ะพอาจารย์ค่ะแล้วก็ทางานตอนนี้ก็สอว น, น้อยลงค่ะมาทําในเรื่องของอาสาขาเพิ่มขึ้นตอนนี้เราเพิ่มขั้นกลั ง, งคนเราาิ่มมาเริ่มมาแล้วก็อ่ามันมันก็มีในส่วนของ เหมือนตัวเองมันคือ อ, อยากสงบอันนี้ก็อยากได้เป็นเป็นกิเลสนะครับอาจารย์ <mm> มันเหมือนต่อสู้กันนะคะอาจารย์อันนึ่เป็นธรรมอันนึงเป็นกิเลสความอยากสงบเป็นธรรมความอยากได้เงินเป็นเป็นกิเลสค่ะพระอาจารย์จะก็พยายามที่ที่จะทําแล้วก็เข้าใจนะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราเราจะต้องอยู่ในในทางทางโลกอยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์เราต้องรู้จักประมาณทางโลกก็ต้องมีจิงทางทรรมก็ต้องมี ให้ใจสงบมีความสุขมันก็ต้องแบ่งกันนะแบ่งคนละครึ่งอย่นโครงการของรัฐบาลองคนละครึ่งใช่ไหมค่ะก็เหมือนที่บอกว่าหนูบอกว่าห้าสิบห้าสิบก็แล้วกันคร่ะอาจารย์เราไปบวชแล้วค่อยค่อยถ้าไปบวชแล้วค่อยเต็มร้อยถ้าไปบวชแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันยังไม่จบค่ะพระอาจารย์เพราะว่ายังมีภาระอยู่นะคะพระอาจารย์ที่เราจะต้องทําหน้าที่อะค่ะพระอาจารย์ก็ทําไป ออก็ต้องทําไปค่ะก็เลยรู้ว่าบางทีมันก็มีสติที่ที่จะหลุดบ้างเหมือนลิงนะคะพระอาจารย์รู้เลยว่าแล้วยิ่งทํากับคนเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องเหมือนเราจะต้องมีทั้งทั้งสติสมาธิแล้วก็มันมันรวมกันหมดนะคะพระอาจา ร, ารย์ต้องเมตตาด้วยต้องเปเมตตาด้วยใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์โอ้โ ห, โหเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ที่จะต้องใช้เพราะว่า เราจะต้องได้เจอผู้คนด้วยนะคะพระอาจารย์ทั้งสอนเอ่อแล้วก็ต้องทั้งทั้งทำงานด้วยนะคะหเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์คนอื่นด้วยในเรื่องของการที่จะศึกษาเรื่องงานนะคะพระอาจ า, ายรย์ความเมตตาค่ะเยอะเยอะมากจริงๆค่ะพระอาจารย์ควาเมตตายินดีรับ<ห>ใช้เขาความเมตตาคือยินดีเป็นผู้รับใช้ค่ะค่ะลูกรับตัเรา <c oughs> เป็นเหมือนคนรับใช้แล้วเราก็จะมีความสุ อ่าก็ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะพระอาจารย์จำเ ข, จเขาเดือนร้อนเขาเลยมาพึ่งเราเนี้แล้วก็ต้องให้ความช่ยวยเหลือเข้ไปค่ะเหมือนเป็นอีแจวเหมือนที่พระอาจารย์ออโอนผ่านหนูก็เลยเมานั่งคิดว่าเอา้าต้องเป็นอีแจวจากจากหมาไปถึงคนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ได้กับทุกคนเลยเราเป็นแจวให้เขาทุกคนค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรครับพระอาจารย์ก็รู้สึกว่า ใจเหมือนเบาขึ้นนะคบพระอาจารย์แล้วก็<ม>เหมือนที่พระอาจารย์บอกก็ต้องเมตตามากขึ้นเมื่อกี้ได้ฟังที่เมื่อกี้เนี่ยก็คือใช้อออุเบกขาใช้ยังไง<ม>ถ้งนั้นเนี่ยเราก็มาถูกทางละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอหินหน้าเขาก็ยิ้มอ่ะแต่พอไอ้นี่ไปก็กระทบอ่ะก็อุเบกขาไปไ ป, าประมาณนี้่นาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอเราเราพอเราวางเหมือนวางใจหรือว่าเข้าใจได้ งานก็ก็คิดว่าดีค่ะแต่ที่จริงก็มีปัญหานะคะพระอาจารย์เพราะว่าทำงานกับคนเยอะปัญหามันก็ต้องเยอะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราเไม่ใช่อารมณ์ไปแก้มันเราใช่เหตุใช้ผลไปค่ะพระอาจารย์แก้ไม่ได้แก้มไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ค่าพระอาจารย์อะไรแก้ได้เหมือนที่พระอาจารย์บอกแก้ได้ก็แก้ได้<ม>แก้ไม่ได้ก็โอเคปล่อยไปก่อนนะคะพระอาจารย์วาง ก่อนอันนี้อันนี้ทำถูกอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ยค่ะพระอาจารย์หนูก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติทำต่อไปนะคะพระอาจารย์กับ<ม>คนด้วยกับตัวเองด้วยน uh, ะคะพระอาจารย์<ม>ที่จริงแล้วมันไม่ได้เยอะอะไรหรอกคะ่ะหนูคิดว่ามันเป็นการเยอะกับตัวเองมากกว่านะคะเพราะเพราะว่าเหมือนเหมือนที่หลายๆคนถามอ๋อคนอื่นเขาก็คือคนอื่นอันนี้เราก็คือเรามันอยู่ที่ว่าเราจะคิดยังไงซะมากกว่านะคะพระอาจารย์ เราต้องรู้จักแยกแยะเขาและเขาเราและเราค่ะพระอาจารย์ค่ะก็พอเราคิดได้อย่างนี้บางทีเนี่ยมันก็เป็นการที่เราได้ฝึกหนูก็ขอบคุณเขานะคะที่ได้เจอทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาตั้งนี่ค่ะพระอาจารย์เติมาะดมริดมสติปัญญาค่าพระอาจารย์ค่ะไม่มีการก็บารมีไม่เกิดค่ะจริงๆค่ะพระอาจารย์อันนี้อันนี้ใช่เลยค่ะพระอาจารย์ เหมือนที่ได้เจอเราก็ยังรู้ว่าเมื่อกี้นี่ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ที่เหมือนกจะเสียหายที่ตัวเองขาดสติไปนิดนึงนะค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้นี่เองที่มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีจิตที่จะอยู่ตรงนั้นมันก็เลยแบบเกิดขึ้น<ม>แต่ก็ไม่ได้อยากซ้ําเติมตัวเองนะคะพระอาจารย์<ม>แต่เพียงแค่ว่าอ๋อมาเตือนสติเราจะต้องทําให้มากขึ้นแค่นั้นนะคะพระอาจารย์มันก็หายไปแล้วมราเป็นบทเรียนสอนใจเราต่อไป ค uhm, ่พวผ้าจารย์ก็พยายามปฏิบัติต่อไปนะคะผ้าจานขอบคุณค่ะอาจารย์ครับคุณค่ะทำอะไรทำอะไรยังไงบำเทศญทำบุญทุกวันไม่เบื่อม้างนะเช้าก็ใส่บาตรเช้าก็มาถวายอาหารวันนีนมีพัมทำก็มาตอนข้ามมีมีสูงก็เข้ารู้สึกว่าปรับปื้มค่ะแล้วก็อยากมาทุกวัน อยากอยากอยู่ในวัดทุกวันอเพราะว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยค่ะมันวุ่นวายอะ่ะแล้วก็ช่วงหลังๆไม่ค่อยอยากคุยกับใครเลยค่ะคนในสังคมกับคนในวัา น, นี่ไม่เหมือนกันนะคนในวัานนี่ทุกคนรู้สึกจะมีแต่เมตตาต่อกันนะกันนะคนมาทำบุญเนะี่ยแต่คนในสังคมนี่มีแต่จะแย่งกัดกันแย่งแย่งชิงดีกันนะ ใค่ะเห็นได้ชัดเจนแลยค่ะพอออกจากวัดไปพูบเราต้องรู้ว่าต้องไปทํางานนะคะ่ะก็ถอหนหายใจแล้วก็<ม>แล้วก็แล้วก็เอาคําที่พระอาจารย์สอนหลังจากถวายถวายอาหารเช้าค่ะยอมหยุดเย็นไปใช้ทุกวันเลยค่ะก็ก็<ๆ>ยอมยอมค่ะใช่เพื่อทํำมันก็อยู่ในสนามพุตบอลก็แล้วนะ <c oughs> รรกันฟุตบอลก็แย่งได้แต่ไอ้วานลูกนั้นเน่ยค น, คนยี่สิบคนยังก็แย่งฟุตบอลนลูกเดียวกนทะ่นั้น พูดถึงเรื่องฟุตบอลนะคะตอนนี้มันมีฟุตบอลโลกจ้าค่ะพอหนูเข้าไปห้องที่แฟนเขดูฟุตบอลหนูก็ไปเห็นคงกระโดกค่ะวิ่งวิ่งไล่เตะฟุตบอลอเห็นด้ว้จึกเหมือนที่เคยเล่นกับพระอาจารย์อ่ะแล้วเห็นคนดูเห็นคนดูฟุตบอลก็เป็นโคงกระดดดด้วยว่ะคนดูก็เป็นด้วยเป็นโมเดลดูทุกคนดูตัวเองค่ะทั้งเขาทั้งเราเราก็เป็นเหมือนเขาค่ะ ก็มันค่อยๆซึมไปเรื่อยๆจนจนกรั่งรู้สึกว่ามันช่วงสัปดาห์เนี้ค่ะไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็พิจารณาความไม่ดีความดีของตัวเองว่ามันมันถ้ามันไม่ดีก็คือต้องทําให้มันดีถ้าไมไมทุกกับมันะถ้าถ้าอยากไม่อยากจะยู่งกับใครเนาะมันทุกข์ก็แสดงว่ามันกิเลสได้เหมือนกันไม่ทุกข์เลยค่ะมันเหมือนมันดูถ้าต้องอยู่กับเขาต้องอยู่กับเขาได้ถ้าต้องทำงานกับเขาต้องทำงานกับเขาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุก พออยากจะอยู่คนเดียวค่ะยังยังพงทำอยู่ค่ะทุกคนเขาก็เขาก็เขาก็รักเราดีแต่ว่าเราพอดีเราพอไปศึกษาทําปุ๊บเราก็จมรู้สึกว่าแต่เรารู้ว่าอันนั้นมันดีกว่ากันค่ะการอยู่คนเดียวมันดีกว่าอยู่กับคนหลายๆคนยุ่งเกี่ยวกับคนหลายคนค่ะแต่ไยังต้องทําอยู่ก็ต้องทําไปค่ะทุกวันเมื่อเมื่อถอนออกได้ก็ค่อยไปแล้วก็ไปอยู่คนเดียวค่ะสาธุเจ้าค่ะรอค่ะ มีมีสารภาพอย่นิดนึงค่พะพอดีเรื่องดูหนังเนี้ยค่ะมี่หนูหนูก็เป็นคนชอบดูพวกสารคดีอย่างในเน็ตฟิกอะค่ะแต่ว่าจะเป็นดูสารคดีประวัติศาสตร์เผอิญก็ไ ป, ไปไปศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียอย่างเช่นพระเจ้าซาเนี้ยค่ะเราก็เห็นความหรูหาาราอลังการของของราชวงศ์ค่แต่สุดท้ายแล้วก็มาพบก็มันก็เป็นไปตามประวัติศาสตร์คือตุดจบก็คือต้องตาย ลยู่เขาปฏิวัติอยูกเล้มค่นลงมไปต้องหนีเป็นไปอยู่แบบสงบ่อนช้านสุดท้ายโดนยิงตายแบบหน้าร้านตายหมดกเ็เลยพอพอดูปุ๊บเนี่ยคำพระจันทร์ก็ผลขึ้นมาเช่นก็ไม่ว่าจะเป็นนายรนายรัฐมนตรีพร ะ, ะพระราชาสุดท้ายจะต้องตายหมด นำยุ่เสร็จแสนสมมีเจริญก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาโลกก็ทำแปดอันนี้ดูได้ไหมจ๊ะท่านดูแล้วเป็นธรรมะก็โอเคท่านดูแล้วมาสอนใจเตือนใจแต่ท่าดูแล้วหนงอยากจะเป็นเหมือนเขาอเอาเ็นเขาล้าก็นรวยมาสร้างบ้านทําเป็นเหมือนปราสาทมา้าราช ว, างวังเฟอร์นิเจอร์ลุยติดท้อง ไอชนเตอรีอะไรต่างๆบ้านล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรอ่ะเห็นก็เห็นปุ๊บก็เป็นเป็นปราสาทล้างหมดเลยปัจจุบันนี้บ้านวัตถุกันเยอะนะไม่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยพอรวยขึ้นมาที่เนี่ยโอ้โหอะไรสร้างบ้านสร้างวังขึ้นมาอะไรขึ้นมาใหญ่ตหโตมหัศรรยสร้างไปทําไม เอเงินไปทำบุญมีความสุขกัเยอะแยเอาเงินไปช่วยคนยากคนจนช่วยเด็กพิการเด็กยากไรให้เขามีโอกาสได้อยู่สุขสบายเหมือนเราบ้างกลับไปสร้างภาษาราชาวาังอันนั้นเริ่มอยู่กันไม่กี่คนต้องจ้างคนใช้มาไม่รู้กี่คนออืดีดีที่หนูมามาฟังทำพระจานทร์ทันไม่งั้นป่านนี้หนูก็ยังหลงน่าจะหลงกับพวกนั้นนะคะเพราะตอนนี้ก็เลย ทำตัวให้ต่ําที่สุดแล้วก็สบายาค่ะบางน้อยสันโดษวนะิธีของพุทธเจ้าดูพระุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านกคยอยู่ในวังมานละ้วถ้าเป็นวิเศษท่านไม่ออกมาหรอกใช่ไหมใช่ท<ช>่าน<ช>ดีกับกับกับสวนทางพุทธเจ้าพระุทธเจ้านี้ออกจากาวังคนที้มาสร้างวังมีอยู่กัน <laughs> <laughs> <laughs> แสดงว่าไม่เคยศึกษาประวัติของของพระพุทธเจ้าเลยใช่ครับ คนเราเขาหลงเยอะค่ะตอนนั้นหนูก็เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะแม้แต่พระสงฆ์พระเจ้าก็เดี๋ยวนี้กุฏิก็กลายเป็นวังป็นเรื่องเยอะแยะที่นุ่งที่นั่นเนี่ยโอโ้โยังกับยังกับอะไราชอ่าณานี้ค่ะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของขาไม่ว่ากันนะเป็นแต่บิค้อให้ฟังเฉยๆใครอชอบอะไรก็ทําไปก็แล้วกัน พิจารณาไปค่ะขอบพรคุณเจ้าข่าวพรอาจารย์โอเคสาธุคุณชนเนนชร์ชาเนนอยู่ที่ไหนถนะ้เรื่รู้วยันนี้ประทุนทางธรรมสักการครับพรอาจารย์ประทุมธานีครับองโอเคมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็อนงษย์เนื้อสัตว์ครับให้ครบเจดวันตอนนี้ก็น่าจะวันที่สี่แล้วเนื้อสัตว์นะ ครับผมทุกอย่างเลยครับก็จะกินแค่อ่าผักแล้วก็ผลไม้ครับโอเคดีแต่มันก็ไม่ได้ทาไม่เราวิเศษขึ้นนะใช่ครับกินเนื้อสัตว์ใช่ครับวัวไฟล์มันก็ไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนกันไม่ใช่มันก็ไม่วิเศษนะครับผมระวังเรื่องการแบบว่ารับสมมุติถ้าเราถือสินว่าเราทําเพื่อไม่ให้ไปส่งเสริมการฆ่าก็โอเคไม่ให้คนต้องไปฆ่ากินกันครับพาจาย์ใช่ครับ แต่ถ้ามันของตายแล้วมาออ ก, กิตก็ก็เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเหมือนงั้นก็ไปเหมือนผัามันได้ชีวิตชีวาแนละ้นก็เหมือนกับ่ครับก็อยากอยากลดลดลดครับก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ว่ากันครับเป็นเดือนละเจ็ดครั้งถ้าแบบไม่เกินกำลงังครับเดือนละเจ็ดวันดีก็ทําไปเลยอย่างนั้นก็เป็นการ ทำให้เรากินอยู่ง่ายขึ้นไม่ไม่ไม่ติดรสชาติในของอาหารเท่าไหร่ครับแต่ว่ายากกว่าเดิมตอนจะกินนี่แหละครับเพราะว่าไปทั่วไปเขาก็จะผสมกันหมดอย่างเราก็จะไปเลือกมาลวกกินเองง่ายๆครับอืมก็อย่าทาให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเราต้องอยู่ง่ายกินง่ายครับผมโอเคนะครับอ่าคนบุญสูงแากผู้แกะนะ่ตเนี่ย มเข้ามาใหม่ใช่ไมมนใบก่อนสัญญาไมดีเสียงกัญญาใช่มคะเข้ามากลับพแม่มากลับักราทารพามาเข้าพแม่มากลับนักปราชญ์ายการค่ะเข้ามาคาะแต่ได้ฟังทางฟังธรรมของท่านะคะกําพาฝึกปฏิบัติอยู่ค่ะโอเค ถมไม่ ม, มีอะไรถามคั้แงแรกถามไม่มีอะไรค่ะโอเคอ่ะเว้ทุกคนมีความสุขมากๆนะขอบคุณเนกาโอเคไปต่อคุณสภัทตราสภัทราอยู่เท็กซัสกลาวนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะวันนี้ขอล่วมฟังเจ้าค่ะ หาวตอนนี้มันจว้ไม่ได้ไปวันวันนี้วันนี้แนวไม่ไปไปอยางได้หลายางนะไปอย่างข้าวแกงได้หลายทาข้าไปได้หลายทางถึงไปอย่างยังไงเขาก็เขาก็มีทางขึ้นของเขาเจ้าค่ะเข้าไปเมื่อวานเจ้าค่ะลูกอยากทดลองดูว่าจะจะอยู่ได้ถึงเท่าไหร่เจ้าค่ะก็ก็พยายามฝึกดูก็ เมื่อเสาร์อาทิตย์นี้ลูกก็อัตตามันพุ่งก็ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมาดีตลอดอะไรแกเจ้าค่ะแต่ก็หลุดก็เลยทำโทษตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะสองวันก็ทำโทษเพื่อชนะความโกรธตัวเองอะเจ้าค่ะก็พยายามเร่งความเพียก็ก็นั่งสมาธิได้หะก็ประมาณสะสมก็วันละห้าชั่วโมงสองวันนะเจ้าค่ะแล้วก็ฟังเทศเดินจงกรมอยู่แต่แบบเนี้ยเจ้าค่ะก็ แล้วก็เวล า, เ, าเวลานั่งสมาธิตอนนี้ลูกพยายามคิดว่าดูลมหายใจแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบอยู่โรงพยาบาลแบบใกล้จะตายเจ้าค่ะแล้วมันทำให้จิตสงบได้เร็วเร็วขึ้นอุบายอะไก็ได้ที่ทำให้ใช้เราสมอ ก, ก็ใช้ได้นะ เจ้าค่ะนึกถึงภาพตัวเองแบบนอนแบบให้สายยางแบบสวมออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็นึกว่าเอ้เราจะตายแล้วนะเราจะตายแล้วเราต้องอยู่กับลมหายใจก็ก็ทําแบบนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าสงบได้ดีขึ้นนะเจ้าค่ะอยู่กับลมหายใจได้ดีขึ้นเจ้าค่ะมันมีเหตุผลทำให้เราบังคับให้เราต้องทําเจ้าค่ะใจเราก็จะคิดเราไม่รู้ทำแบบเพื่ออะไร อันนี้รู้แล้วทําไปเพื่อเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้จะตายเราจะได้มีที่พึ่งทนำใจได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็ทําตรงเนี้แล้วเจ้าค่ะก็รู้สึกดีเจ้าค่ะก็อยู่กับลมหายใจดีเจาา้าค่ะก็พยายามฝึกต่อเจาา้าค่ะตามใดยังไม่ยังไม่ถึงทางก็จะไม่จะพยายามไม่เลิกเจากา้าค่ะจะพยายามไม่เลิกเจ้าค่ะตามใดยังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องสู้ต่อไปนะ แล้วค่ะมันมาโดยที่บางทีเราก็นึกว่าเราแบบเออเราดีขึ้นเราพร้อมขึ้นแต่มันก็ยังมาได้ตลอดเจ้าค่ะประมาทไม่ได้เลยใช่มันชอบไม่ได้เลยชอบหลอกแล้วชอบหลอกให้เราคิดว่าเราไม่มีมันแล้วใช่ว่าเราว่าเราบอกว่าเออเราเราเร า, เราแน่นเราแน่นขึ้นเราแน่นขึ้นแต่บางทีมันก็จะมาเวลาเราแบบเจ้าค่ะเราก็แบบ มองตัวเองแล้วก็แล้วก็ก็ต้องสอนสอนตัวเองคือปราบความโกรธตัวเองหรืออัตตาตัวเองให้ได้ได้เจ้าค่ะคนอื่นไม่เกี่ยวกับตัวเองนะเราเจ้าค่ะใช่ใชค่ะขอบขอบขอขคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุคุณพมอเมลาพานเจ้อค่ะกับในมิถุนพิศลร้องมหรอการของอาจารย์อาจารย์ครับมาถึงตั้งแต่ประมาณสี่มงเย็นนะครับสี่มง ก็ขอบคุบว่าคุณอาจารย์ทำให้โอกาสเลยให้ภาวนาครับรอมนี้ก็ได้ได้เจอทุกเยอางลยับอาจารย์เพราะว่าลองลองลองตัวเองนะครับว่าไม่เอาผ้าห่มไปเอาหมอนไม่เอามุ้งไม่เอาผ้าปูอะไรไปนะครับก็ลงไปนอนครับนอนกับตุ้งไม้แล้วเลยอนกับเป็นไม้แล้วอาจารย์เออโอ้โหแต่ปรากฏว่ามันก็ทั้งหนาวทั้งทรมานนะครับอาจารย์ปวดหมดตัว พอดีมันเริ่มหนาวพอดีด้วยพึ่งพึ่งหนาวเมื่อเมื่อเช้านี่เพราะว่าเนี้อ๋อผมก็โอ้โหแต่มันนเขาหนาวจังแล้วผมไม่ดีเ่ราะผมก็อดทนเอาครับแต่ว่าก็กได้เจอถูกอย่างอีกสับอาจารย์ถ้าหนาันรุ่งขึ้นมานั่งสมาธิก็ได้ถ้านอนแล้วมันนาววันคื่นมานั่งนั่งสักพัมันก็จะหายหนาวครับอาจารย์ก็ตื่นก็นั่งว่วงก็นอนแล้วก็สลับกับเดินครับอาจารย์อืทําไปเรื่อย เมื่อวานนี้ก็เดินไปได้หมื่นเจ็ดันกว่าเก้าเลยครับรอาจารย์นับถึงหมื่นได้แล้วหมื่ 17, นเจ็ดนะครับร <c oughs> แต่ว่าพระอาจารย์ครับทำไมดูแล้วเหมือนความสงบมันเหมือนกับถ้าผมนั่งอยู่กับบ้านเนี่ยมันสงบกว่าครับอาจารย์เพระาะว่าเรามีอุปสรรคมากขึ้นนะครับเยอมากขึนแ ล, แล้วสติเรายังไม่แข็งไม่แข็งพอมัน ม, มันมันไปทําให้ไปกังวลการเรื่องความทั้ข มันก็ไม่ค่อมีสติอยู่กับอารมณ์ อ, อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธอ๋อแต่ที่อยู่ที่บ้านมันไม่มีอะไรที่มาคอยรบกวนใจเรามันก็เลมีสติอยู่กับลมได้ง่ายกว่าเพราะความรู้สึกมันกบอยู่บ้านมันสงบกว่าก่อนเพราะสิ่งรนั้นมันคว่าไม่มีอะไรมามาม า, มาสะเทือนใจเรา ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันมีอะไรที่มันมาล้อขวัสะเทือนใจเรามันก็เลยทําให้เราไม่เคยนิ้นใจมันยังภาะวะโคนอยู่แต่ว่าที่ฝุดโผล่เยอะเลยครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงครูบาอาจารย์โอกโหนั่นอยู่ลําบากจริงจริง <c oughs> แต่เราก็ต้องคิดว่าสภาพที่บ้านเราอาจจะเป็นสภาพแบบที่มันไม่ไม่ใช่เป็นภาพจริงอีเสมอไป ทั้งวันทั้่ํอาจจะไปเจออยู่ในที่ที่ไม่มีบ้านอยู่ก็ได้ครับอยู่สภาพที่มันโหดกว่าเราก็ต้องเตรียมตัวรับกับสภาพที่มันโหดกว่าต้อไปฝึกเหมือนสัตเหมือนฐานที่ซ้อมลบในในค่ําค่ํากับฐานที่เอาไปลงไปสนามจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับชัดเจนเลยครับอาจารย์ก็ต้องฝึกในสนามจริงให้ได้ดีวันนี้ที่บ้านใช่ ครับ้วกลับมาที่บ้านมันสังเกตง่ายๆก็ใหญ่ครับเมื่อกี้นั่งรอมาอาจารย์ก็ขนาดนั่งอยู่แป๊บเดียวก็ยังรู้สึกดีเลยครับยรู้สึกเออรูออ้สึกสงกเลยครับอาจารย์ครับของก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ได้ได้ไปฝึกฝนอีกท่อหนึ่งก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ได้เจอ<ต>จ ะ, ะต้อ ง, ปงไปตุพยายามไปบ่อยๆครับต้องอธิษฐานไว้ว่าต่อไปนี้ยจะทํา เรื่อยๆถ้าไม่ตัง้งไม่ตั้งเป้าหมายมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ได้ทำเพราะมันจะมีเรื่องอื่มาคอมา่อยดึงเราไปอยู่ด้วยแต่ถ้าเรากาหนดตารางว่าเดือนนี้ต้องไปเดือนนีต่อไปกี่วันกี่วันเนี่ยมันก็มันก็จะได้ไม่ให้เรื่องอื่นมาดึงงานที่ไป ให้คอาจารย์ช่วยหนุด ต, ตอนฝึกเยอะเลยครับสู้เต็มที่นะ <laughs> อยู่คนก็เลยถึงได้มาสู้เต็มที่ที่อาจารย์สั่งไว้ก่อนขึ้นไปครับผมนี่มีอะไรนะครับอาจารย์ครับโ อ, อเคนะมาเกันมาพินะครับขอบคุณครับเอ่อคุณหมอณัฐวุฒิต่อคุณอกราบน้อมสักกา ร, ระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้าง สบายดีครั บ, รบสบดบีแต่วันนี้มีคำถามครับพอดีวันก่อนอ่านาที่ที่พระ อ, อาจารย์เป็น ท, ท, ท, ทนี่ที่โพสต์ใน a ฟ e b o o k ที่เป็นคำถามสอนสั้นๆ น, นะครับ <Germans. S 1> พอดีผมยังมีบางจุดที่ไม่เข้าใจเรื่องเหมือนเป็นสาธารชันสอนว่าถ้าเราอยู่อย่างผู้คลองเรือเราจะไม่มีเวลาพอต่อการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติการซักฟอกใจะให้ได้ผลจำเป็นต้องทำอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถึงจะสามารถสัก ฟ, ฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ครับนี้ในความเข้าใจผมก็คือไ ป, ปัญหาของเราติดใจใจเราเองที่เป็นปัญหาไปไปรู้ไม่รู้เฉยๆไปหลงไปติดใช่ไหมครับใช่แล้วก็การปฏิบัตินี้ก็คือการสร้างสติค<อ>รับให้มีเราสร้าง ส, สมาธิครับให้สักฟอกก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให้เรื่องของการซักฟอกใจการปฏิบัติเพื่อสักฟอกฟใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะใจเราเนี่ยมันถ้าเราไป ท, าทํางานแทนที่จะซักซักว่างมันมันกลับไปสะสมเพิ่มกิเลสมากขึ้นมัอนเราเสื้อผ้าไปใส่แล้วเอาเสื้อผ้าไปใส่ทํางานเนี่ยมันก็ต้องไปทําให้เสื้อผ้าเปื่อเพื่อนใช่ไหแล้วเราเสื้อผ้าไปซักนี่ยมันก็จะสะอาดทีนี้ส่วนใหญ่เราจะเอาใจเราไปเปื่อเพื่นกับเรื่องราวต่างๆเรื่องของกิเลส เนีการการทาาํางานของเรานี่มันก็รื่องของความโลภความอยากนั่นแนหะครับมันไม่ได้ซัดฟ้องมันไปมันไปฟ้องคุณความสงบสงบให้ใจสงบมากเพิ่มมากขึ้นในการที่เรามามาซัดฟ้องกันนานทีมันก็เพีงแต่มาขัดเกล่อนิดหน่อยครับ แต่มันไม่สามารถที่จะกลับแต่ให้มันก็ซักเสร็จแล้วก็กลับไปทํางานกลับไปหากงินก็เป็นไม่ร่วมกับวุ่มวายกลไปหาการมาฉันทากันต่อเรื่อเสถียรยุทธ์อะไรต่างๆก็เป็นกิเลสทั้งนั้นหาลาภยุทสรเสร็จเอาสุขทางตาจะหมดนิ่งกายไปหาโลกกระทำง่ายครับงไงคนที่จะซักฟอกให้มันบริสุทธิ์จิงต้องไม่ต้องทิ้งเรากระทําไปเลย มาอยู่ในป่านันจะได้มีเวลาสัมผันกันอยู่ก็คือก็คือเราก็จะได้พุ้นชินกับอการเอาจิตเข้าข้างในนี้ใช่ไหมครับเรืการนี้เรเอาจิตมาแล้วเอาไปออกไปข้างนอกไปไปหาธาตุชั้นละเสริมเสริมครับนะอันนั้นก็เพียงส่วนหนอกจากการทักว่าการเป็นติดอยู่กับรูปสิงกินแล้วไม่ลองมาซับวอกไม่มันมาติดกับร่างกายกับเวทนากับอารมณ์จิตอีกอีกที่หนึ่ง อืมครับอันนี้ยากอันนี้ยากกว่าการการการการเมติอกัารอบยศเสรเสรสุดไม่ต้องตัดตัดไปอยู่ให้ได้ก่อนใช่ตัดสิ่งภายนอกให้ได้ก่อนนอกกายให้ได้ก่อนมันง่ายกว่าของนอกกายแต่ซึ่งไปตัดกายนี่มันยากตัดเมทนามันยากครับตัดอารมณ์มันยากครับ พวกอารมณ์ความคิดนี่ก็คือเป็นพวกเป็นชาติที่มันจะให้ใหมืนกัค้งก่อนเมื่เคยฟังหลวงตามหาบัวครับเขาก็พูดเหมือนกับเรื่องของขันห้าครับแล้วก็เหมือนกับอเวทนาสัญญามก็เกิดดับเกิดดับจะปัญหาพอเราไปไปไปเวทนาพุ๊บสัญญาเราไปจับมันก็ก็เกิดต่อเนื่องกันต่อไปนั้นก็คือมันก็ต้องรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางใช่ไหมครับ แต่ต้องมีอุเบกขามีสติที่ต้องตพวกนี้ที่ไอ้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิยามันเป็นเครื่องมือของกิเลสเนี่ยจะให้ปรุงแต่งไปตามการหาความสุขจากราภยนสรรเสริญจากมรรคกายจากเวทนาจากอารมณ์ต่างๆต้องต้องหยุดมันอย่าให้มันไปแสวงหาก็คือรู้รู้แล้วครับวก็แล้วก็แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางครับอะ ปฏิบัติจริงๆก็ต้องก็ต้องไปปวดไปไปยอยู่แบบไปตั้งอุปกรณ์้ปวดก็ได้ไม่ปบดก็ได้แต่ก็ต้องต้องมีเวลาปฏิบัติเต็มที่แล้วก็มี ม, มีสถานที่แล้วก็มีอาจารย์ที่ดีคอยสอนอีกที่นึ่ง พรว่ามันก็ต้องใช้ขคือจะฟอกให้ขาวมันก็คงต้องก็คงต้องต้องทำอย่างต้อใช้เวลาั้องทำตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เอาไปไม่ให้มันไปไปเกิดขัวกับของสมบูรอีกต่อไปคือเอาไม่เห้มันไปหาอะไรแต่ถ้ามาบ่นแล้วพระก็ยังไปหานู่นหานี่กันอืมครับอ่าแถ้าทำที่จุดหนึ่งมันก็มันก็จะเป็นจุดที่มันก็ต่อให้ไปอ่ามันก็จะขาดไปได้เองใช่ไหมครับ กเใจมันก็จะตัดไปเรื่อยๆถ้าเราโมเสกปัญญามากขึ้นก็พอเข้าใจถึงความทุกข์ของสิ่งต่างๆที่เราไปลองยึดติดมันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ่นเห็นตายรักชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆพอทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมันก็ไม่มีใครต้องการทุกข์แตตอนนี้เราเห็นที่เราไปเห็นนี่เราคิดว่ามันสุขความจิงมันเป็นทุกข์มันก็ยากนะครับเพราะว่าบางทีเหมือนอย่างที่คุณหมอเวรพันธ์พูดว่าบางที ไปปฏิบัติมันก็สุขแต่ว่ามันก็มันต้องมีทุกข์เองเราก็ยังไปติดกับสุขทางกายแต่ว่าจริงเราต้องเอาสุขทางใจแต่ว่ามันก็ในคารวาะมันก็แบบเราก็ยังติดกับสุขทางทางกายอยู่แล้วก็ว่าเรายังหาสุขทางใจไม่ไม่อาจจะนั่งได้ถึงอุเบกขาไม่มันไม่ถึงจุดนั้นมันก็เลยไม่ได้ได้อุเบกขาได้อลไรก็คงวับก็คงไปมันลำบากหน่อยตอนที่ ที่เราทริ้ความสุขทางกายแล้วเพื่อมาหาความสุขทางใจ น, นั้นวยตัวนี้มันจะรำบากเลยครับอนนี้ยังแบ่งสู้แบ่งรับแบ่งสู้เลยไปอยู่<ช>สามวันก็ยอมไปทุกทางกายหน่อยอันเดี๋ยวกลับมาอยู่กับความสุขทางใจต่อครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวต้องเพิ่มไปเรื่อยๆครับครั บ, รบข อ, ข อ, อบพระคุณครับแต่ก็พยายามทําไปเรื่อยๆถ้ามันดีก็ดีได้รับความสุขทางใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีพลัง มีกําลังที่จะรับความสุขทางร่างกายได้มากขึ้นเลยต้องอาศัยการการที่เราได้รับความสุขทางใจทดแทบความสุขทางร่างกายครั บ, รบถ้าไม่มีมันก็ทิ้งความสุขทางร่างกายไปไม่ได้อืมแต่เพราะเราได้ถึงจุดนั้นมันก็้ความลําบากคาอะไรมันก็มันก็จะเฉยไปเองใช่ไหยใช่มันกระจายมันจบแล้วคำคมทุกอย่างทางร่างกายมันไม่ค่อยจะมีน้ําหนักเท่าก็เล่นเล็กน้อยครับ่เล็กน้อย ถ้าเราผ่านเวทนาได้เรานั่งสมาธิเราบ่านเวทนาได้นี้ก็สบายครับไปอยู่ที่ไหนก็ได้อนิจจ่ขาดแชสในไงก็ได้เจ็บไข้เรป่วยก็ทนได้ยิวน้ําำหิวข้าวอะไรก็ทนได้ะเพราะว่าเราก็ามีคล้ายๆไอุเบกขาท่านทุกท่านจะได้นั่งนั่งกันได้ทั้งก็เลยความสุขใจอยู่ใจเราไม่ทุกข์กับไม่ทุกข์กับความอวามอนิจจ่ขาดแชสทางร่างกายครับะ แต่ถ้าเยังไม่มีความสุขอยู่มันต้องเต็อยู่ความสุขทางร่างกายพอไม่มีใจแล้วก็ปวดนะใช่แล้วก็ว่นนะแต่ก็กลัวมันคีอว่าถ้าเราเกิดไปบวชแล้วเกิดแต่ไปแล้วก็เกิดไม่ได้ความสุขทางใจ ม, มันก็มันก็ก็มีหลายคนที่ไปแล้วก็ถอยกลับมไม่ไดใช่ครับ <laughs> กลับมาตั้งรันใหม่นะเดี๋ยวพอกลับมาสักพักก็เบื่อความสุขทางร่างกายเพราะมันมีความทุกข์แทนมันด้วยเดแล้วก็เอาใหม่เล่าว่ะบวชใหม่ผู้ชายสามบวชไปชานสามบทชสี่บวชก็เป็นบางคนครับมันก็ต้องแต่ก็ต้องทำนะครับมันก็ไม่ออกวามสมองถ้าไปจริงก็ต้องเอาแบบว่าคเด็กทีขาไม่ถอยยอมยอมตายในภาพหลือยอมทุกข์แบบครับ ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ที่มันยากนีดแต่ว่าคงไม่มก็ไม่น่าจะเจกิดความสามารถนะครับถ้าเราก็คือเราก็สติทั้งวันทั้งคืนเราพยายามฝึกสติให้มากๆแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะรวยครับอ่ามีสติมากควบคุมอารมณ์ได้ครับคิดว่าไม่น่าจะไม่มีปัญหาเลยครับ อ, อ่ครับข อ, ข, อขอบคุณครับโอเคนะขอบผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอีกสกอาทิตย์หนึ่งได้ไปละครับนี่หยุดหมดอยู่วเบลแล้วครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้มีหมอมาเรียนจากสิงคโปร์เดี่ย โอเคพอแล้วเดี๋ยวอาทิตยิปมัตขับได้ไปอยู่วะไปได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็อยาไปทุกกับวันนี้อยู่ก็ครับอ่ะอยากไปครับเพราะว่าสึ่งพอไม่ไปแล้วมันถอยมาเยอะครับ <c oughs> <c oughs> พอพอไม่ไม่ไปซักปอกมันก็ก็ก็ไปแล้วมันก็ทุกข์แต่ว่ามันก็กลับมามันก็สุขในไออารมณ์มันก็มีความความใจมันจะจนิ่งมากขึ้นครับโอเคครับผมนะด คนวิริยะต่อนคนวิรยยิยะนี่ไหน mm hmm. พูดได้น ะ, ะพูดได้ได้ยินนะมีอะไรอยู่ที่ทไหนกับนมสักการพ่อาจารย์ค่ ะ, ค, ะคือติดตามพ่อาจารย์ทางเฟซ น, นะคะแล้วก็ขับเฮาค่ะส่วนใหญ่ก็จะฟังซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ดูใน ในในเฟซนะคะว่าจิตวัทยประจำวันอของพาาระอาจารย์ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังความคิดคือหลัก ร, รมธรรมะนะคะคือเข้ามาเนี่ยคือเข้ามาครั้งแรกค่ะเพื่อว่าอยากจะตั้งมีแรงมีแรงแรงอ่พลังพลังจิตพลังใจตัวเองนะคะเพื่อจอ ะ, อะปฏิบัตินะคะ ก็คือตั้งใจว่าจะมาฟังซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทําค่ะค่ะอยู่ที่บ้านอำเภอค่ะบ้านอำเภอเนี่ยใช่ค่ะทำงานที่โอเชียนมารีน่าค่ะโอเชใช่ค่ะก็เจ็ดปดปีแล้วค่ะก็ค่ะก็ได้ทราบอยู่ก็ไปส่วนใหญ่ก็ปล่อยปลาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วัดยานค่ะแต่ว่าก็เข้าไปบ้างค่ะเข้าไปดูสถานที่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทําทัวร์ค่ะก็ก็ไปบ้างค่ะไปแต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรที่วัดยานค่ะค่ะก็มีโอกาสได้อยากจะมามาปฏิบัติที่บ้านนี่แหละค่ะก็ลองศึกษาไปก่อนทำฟังไปก่อนว่าเขาทําอะไรกันอย่างไรวิธี<ช>ปฏิบั ต, ปบติปฏิบัติอะไรบ้างค่ะวิที่ปฏิบัติก็ศีลสมาธิ ต้องรักษาสีให้ได้สีหน้าก่อนรักษาสีหน้าไปอย่าดื่มสุราอย่าเมืองแล้วก็หันนั่งสมาธิโดยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปมันไม่ยากถ้าเราศึกษามันมีแค่เรื่องสองสามเรื่องที่เราจะต้องต้องทํานนัำต้องละต้องละต้องมีสีก่อน สินห้าต้องต้องเป็นฐานก่อนใช่ไหมคะก็ต้องมีสีนะเนี่ยว่าถ้าไม่มีสินนะ้ำเราก็ไปมีเรื่องเวลาของคนนั้นคนนี้มันก็จะไม่มีเวลามามานั่งสมาธนะิแล้วรักษาสีนหน้ารับมันจะไม่ ม, มีมีเรื่องเวลาไม่ไปติดคุกติดตลาดอะไรอย่างเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้มานั่งสมาธิได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะทํางานแล้วก็กลับบ้านก็ ก็ลองควเทศนี้ไปก่อนฟังเทศไปเรืรเร่อยๆดีกว่าศึกษาเรื่อยๆก่อนแจนกว่าจะเข้าใจว่าต้องทําอะไรบ้างมันก็ก<อ>็ลองลองเริ่งทํำดูค่ะโอเคนะยัง<อ>ไงที่ท่านหนึ่งต่อไปขอบคุณค่ะโอเคคุณหมอสุทัศนีอยากมาทุ่มทานนี้เชิญนรมาการธรรมอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะ โอเคเนี okay. ่คุณนิสาต่อนิสานิสาอยู่แคลิฟอร์เนียใช่ไหเอลอหรือ้ากับกรรมราชการพระอาจารย์ค่ะจากเอลเอค่ะ <LA. Okay. S 2> ค่ะก็ตอนนี้มาส่งกันบ้านค่ ะ, ะ <laughs> ก็ตอนนี้ก็เลิกที่เคยบอกพระอาจารย์เรียนพระอาจารย์ว่าตานั่งถึงชั่วโมงสี่สิบห้านาทีชั่วโมงหนึ่งแต่ว่า พอใกล้ๆชั่วโมงหนึ่งมันก็จะแบบปวดคือเวทนาจะมาเลยค่ะเหน็บชาจะมาแบบปวดขามากๆเลยค่ะแล้วก็ก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบมันทนไม่ไหวก็เลยลุกแบบเดินจงกรมบ้างแต่ว่าเหมือนกับจริตการเดินจงกรมมันไม่ค่อยถูกกับเราอะค่ะแต่ว่าก็ก็จะแบบก็กลับมานั่งต่อแต่ว่าก็อีกอะกันก็ยังไม่ค่อยไม่เหมือนแบบจิตมันไม่ไม่สงบอะค่ะคือ วันนึงมันจะต้องไม่ไม่ถอยเวลามาเดบชงเดบชาก็มยายามพุทสู้อีกรอบค่ะค่ะพุทธโอพุทธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ค่ะอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆเจ้าค่ะทีนี้จะมาอาจจะผ่านได้ค่ะแล้วแล้วแล้วแล้วโยมลูกก็ฟังฟังเทปของพระอาจารย์ที่ทำมาบนเขาพระอาจารย์บอกว่าให้รักมันให้รักเด็บชาค่ะออชบก็ ใช่ก็ให้ชอบก็เลยแบบสองสามวันนี้ผ่านมาก็เลยคิดว่าเอาเลยแบบคือถ้ามันมาก็จะชอบมันให้มันเริ่มมาตั้งแต่แบบชั่วโมงให้มันเริ่มมาตั้งแต่สิบห้านาทีแรกมาเลยมันมันไม่มาค่ะว่าจารย์มันคิดว่ามันมานะคือแบบพอพอประมันคือส่วนใหญ่ใช่เราเราก็คิดไงเราแบบเราก็คุยกับกิเลสไงบอกว่ามันมาเลยให้มันมาเลยถ้ามันมาเนี่ยเราจะแบบเราจะอยู่กับมันเราจะไม่ลุกวันนี้เราจะไม่ลุกเพราะว่าเราจะรักมันเราจะอยู่กับมัน ก็คิดว่ามันมาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคงจะแบบจิตมันคงนิ่งอ่ะเหมันก็เลยแบบเหมือนแบบว่าพอมันนิ่งมันก็ไม่มาแต่แต่พอไม่อยากรู้มันก็ไม่มาก็อยากจะลุกมันก็มาแต่รู้ว่ามันมานะคือประมาณสี่สิบห้านาทีอ่ะก็แบบรู้สึกรู้สึกว่ามันแบบมันจะมาแต่ว่าใจเราก็คิดว่าคือเราก็พูดโทรพูดโธไปแต่มันก็มีความซ้อนขึ้นมาว่าเราจะรักมันอย่างเงี้ยมันก็เลย มันก็เลยหายไปเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนก็หายไปแล้วแบบแล้วหลังจากนั้นคือแบบเหมือนตัวมันหายไปเลยอะคือแบบว่าตัวต้นหายไปเลยแล้วก็แบบแล้วก็แบบเหมือนกับคล้ายๆมันลูกก็ฟังพระอาจารย์บอกว่ามันจะต้องแบบตกหุ่มตกปอดแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันเหมือนกับเหมือนกับตัวหายไม่นไม่จำเป็นจะต้องตกหุ่ตกปอดอ๋อเหรอคะ ค่ะแล้วก็ตัวหายไปตัวหายวางใจเบาใจสบายใช่ใจเบาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมันเหมือนกับมันยังไม่ถึงขนาดแบบจะมีความสุขอ่ะมันไม่ได้สงบขนาดมันก็สงบนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนแบบคล้ายๆแบบว่าเลยไม่ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเวลาเราขับรถแล้วเราเหยียบเบรกอ่ะเหยียบเบรกอ่ะมันมุ๊บมุ๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกใจอ่ะเพราะจ่าตกใจก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ไม่มีอะไรเลย ใช่ค่ะแล้วก็สติคือแบบกลับมาพุดโธพูดโธแล้วก็เลยใจก็คิดแบบทีนี้ทีนี้เลยแบบกิเลสมาเลยแบบที่กิเลสคิดเลยว่าแบบอยากจะกลับไปจุดนั้นอีกอ่ะแล้วก็แล้วเมื่อเมื่อเมื่อวานก็ทําไม่ไม่ได้แต่ว่ามันมันก็เลยรู้สึกแบบสงสัยกิเลสเราจะสู้กับมันอย่างกับแปรดีบเริ่มต้นใหม่ต้องอยู่ในปัจจุบันหรอคะค่ะเจ้ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องจะต้องแบบฝึกสติ ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะสงสัยพระอาจารย์มันคงคงจะต้องแบบต้องเจอเจออะไรที่มันแบบต้องจัดคอร์ส ห, หนักๆให้กับตัวเองอะ่ะพอรู้สึกว่าชั่วโมงหนึ่งมันชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันน้อยไปเพราะว่าเราไปกังวลเรื่องเวทนากับเอขา้มันช้าค่ะสงสัยจะต้องแบบจัดหนักเงากต้อนอนเวลานั่งไปเรื่อยๆค่ะใช่บางทีมัน เพราะจามันทีมันก็ยากเราเป็นคาราว่าเราเหมือนเรากังวลว่าเราจะต้องทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะคือมันอยู่บ้านบางทีมันมันต้องไปเจอแบบแบบแบบไปเจอที่มันที่สับไปยะหรือที่ที่มันแบบว่าแบบแบบอยัางใช่ใช่ใช่ค่ะมันถงใส้อยู่บ้านทีนก็สบายไปค่ะก็ก็รอถึงวันนั้นนะคะจะจะพยายามแต่คิดว่าคือก่อนที่เราจะไป อยู่แบบนั้นเราก็ควรจะฝึกแบบนี้ให้มันดีขึ้นมากกว่าให้ใแบบ ต, ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนไม่ง<ช>ั้นไปแล้วไปแล้วก็ทําไม่ได้ดใช่ใชค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าคือถ้าเกิดแบบว่าเรากลับไปเมืองไทยแล้วเราไปที่วดัดหรือไปสถาบัติสถาน<ม>ที่ฝึกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ยังคิดแล้ว่ากลับเมืองไทยนี่มัน มันต้องไปเจออะไรเยอะแยะคือตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราแบบไม่เจอใครคือไม่ก็เจอแต่แฟนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเจอใครมันเขียวถือว่าจิตเราสงบเราจะไม่มคือปกติเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าแบบดูโซเชียลดูเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะไ ป, ป, ปที่อยู่เซมิที่มากระลังหรือบิ๊กเซอร์อะไรก็ได้อ๋ออยเซมติอะไร uh <laughs> อย่างงี้ใช่ไหมคะอยู่เซมิทิบิ๊กเซอร์มีป่าธรรมาชาติอยูน่นะแล้วก็ไปกางเต็นแล้วก็ไปปฏิบัติ อ๋อมันหนาวค <laughs> ่ะหนาวก็เอาช่วงที่มันไม่นาวเลยอ๋อค่ะคือตอนนี้นะคะพระอาจารย์ไม่อยากทําไม่อยากไปไหนเลยค่ะคื อ, อและยังมีช่วง ถ, ถ้าเพื่อการปฏิบัติก็ต้องไปไปปฏิบัติอ๋ออ๋อไปไ ป, ไปทดสอบตัวเองใช่ไหมคะทดสอบไปหาสนามที่จะช่วยให้นำพัฒนาการปฏิบัติอ๋อคื อ, ค, อคือใจคิดใจคิดว่ามันเราเราอย่า ง, างเราเป็นคาราวาอยู่เรา มันยังมันยังไงมันก็ต้องเจอผู้คนนะ่ะแต่แต่ลูกคิดว่าเราควรจะต้องฝึกเราไปสักอย่างน้อยถ้ามันยังไม่ไม่ไปถึงโสดาบันอะไรก็ก็เหอะแต่เราเขาอยากอยากให้เกิดอุเบกขาบ้างอย่างน้อยมันทําให้เราแบบว่าใครให้เราเผื่อเราไปเจอโลกภายนอกเราก็จะแบบไม่ไม่ไม่หวั่นไหวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คิดอย่างนี้ถูกถูกไหมคะใช่แล้วก็ต้องไปฝึกเจอกับความ ของทุกอย่างลำบากอยู่เเพื่อให้เราฟันฝ่าอุปรสรรคอยู่ก็มันได้ผ่านผ่านพ้นไปได้ไม่หวั่นไหวถ้าไม่มีข้อสอบก็ไม่ไม่ต้องทำใช่ค่ะแล้วแล้วเ อ, อมีคําถามอันหนึ่งค่ะอาจารย์ถ้าตัวลูกเองเนี่ยคือลูกเป็นคนชอบแบบเวลาจะทานวิตามินกินอาหารก็แบบชอบแบบ คือไม่ได้ชอบของอร่อยแต่บอกว่าชอบของที่มีสุขภาพแบบออร์แกนิกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้มันแพงแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลดลงไปบ้างอ่ะอันนี้คือมันเป็นกินเลสใช่ไหมคะก็ใช่เพราะเราไปรักตัวกลัวตายมากกันต้องคิดว่าเนี่ยก็ตายอยู่ดีกินออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันไม่แต่บางทีพระจารย์บางทีกิเลสอีกตัวหนึ่งมันชอบมาแทรกค่ะมันบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเพราะว่า เพราะว่ายูไหวยังปฏิบัติไม่ได้เลยยูต้องรักษาร่างกายก่อนถ้าเกิดยูไม่ได้รักษาร่างกายเนี่ยแล้วร่างกายมันจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนเพราะว่าความตายมันไม่มันไม่รอใครหรอกเวลาเราจะตายมันกินดีขนานเทา่าันตายได้เพราะกิเลสในตัวมันชอบคิดว่าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยที่พระ ท, ท, ที่พระอาจารย์พูดว่าเจ็ 7, วัน7เดือน7ปีอะ่ะแล้วกิเลสมันชอบบอกว่า7เดือนน่ยไม่น่าได้น่าจะต้องเปีเพราะนั้นต้องรักษาร่างกายไปก่อน ต้อเรักษามารถเกินไปแล้วรักษาแบบพระเนี่ยยินดีตามมีตามเกิดนบิณฑบาต ท, ทุกวันมีลากินกน็กินตามที่เขาส่บาตรมาให้ค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ดูดูพระอาจารย์เมื่อที่พระอาจารย์บิณฑบาตเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคนเยอะมากเลยนะคะ อ, อกับสี่ร้อยคนะโอ้โหค่ะต่อไปน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆคะ่ะพระอาจารย์จะต้องไปไแน่ละคะ่ะวันถ้าวันเสาร์อาทิตย์วันพระนี่คนจะเยอะ แต่ถ้าวธรรมดาก็ร้อนเหลืประมาณเหลือสองร้อยอย่างวันนี้ก็ประมาณสองรอยเศษเศอ๋ออ๋อเจ้าค่ะแล้วก็ไปทำงานกันอะไรกันอ๋อค่ะอ๋อถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะแล้วถ้าเป็นเทศกาลนี่คนเยอะเยอะปีใหม่นี่บางทีถึงพันโอ้โหเพราะเห็นแบบวนอ๋อค่ะผอยากจะไปบ้างค่ะเดี๋ยวไว้ต้องมีสักวันตอนนี้ก็ดูแถายท่าเสร็ไปก่อนดูค่ะดูดูทุกวัอาทิตย์เลยดูพอสามโมงของที่นี่ก็เริ่มเปิดละรอ เหนึ่งในในยอดวิววันนั้นนะคะแล้วก็ชอบชอบชอบชอบดูพระอาจารย์เวลาพระอาจารย์เทศที่บนเขาสมัยก่อนอ่ะคือแบบมันสนุกมากเลยอะ่ะแบบเออแล้วก็แบบดูเป็นกันเองแล้วก็พระอาจารย์จะบอกไม่ได้มีหัวข้อแล้วก็คุยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเล ย, ย, ยชอบค่ะชอบชอบดูอันเก่าๆไปย้อนย้อนดูมาต้องขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่เอามาลงก็เนี่ยตามดูยังไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่เยอะมากเลยค่ะ ก็ดีค่ะดูแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้ดูย้อนหลังก็ได้ตั้งแต่แล้วใช่ใช่ค่ะตั้งแต่ปีสี่ตั้งแต่ปีห้าเก้าห้าหกหนึ่งหกอะไรเงี้ยก็ไล่ไล่ดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันก็ดีค่ะทําให้เราแบบเออตกตะกอนแล้วก็วันคือจะได้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ดูอย่างอื่นเลยไม่ไม่ดูแบบไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่ดูอะไรทั้งสิ้นถ้าดูเรื่องเนี้มันบางทีมันทําให้เราแบบอย่างเวลาในระหว่างวันที่เรามี ต้องต้องจเจริญสติหรือว่าพุโทโธพุดโธไปถ้าเกิดเถ้าเราแต่ก่อนเนี่ยเราจะแบบคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องสิ่งที่เราผ่านมาสิ่งที่เราดูคิดถึงเรื่อ ง, อ ง, องอละครอะไรแต่ใช่ค่ะ ใ, ใช่แต่ตอนใช่ฟุ้งซ่านมากๆแต่ตอนนี้ก็คือมันก็จะคิดบางทีถ้าบางทีมัน ยอารับเพราะย่าใช่ที่เราได้ยินจากค่ะจากพระอาจารย์พูดอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้คือคือปล่อยปล่อยจิตแบบนี้ให้คิดได้ใช่ใช่ให้ให้ทำมาเป็นตัวปับด้านความคิดของเราเพราะว่าบางทีมันก็ลืมค่ะในระหว่างวันว่าแบบถ้าเราจะพุทธพุทธะราลต้องฝึกทำทำซักซักค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็โอเคก็ดีทําไปนะดีนั่นแหละทําไป ค่ะก็จะจะเพียรพยายามไปเรื่อยๆค่ะจากปนุบาลก็จะอยากจะให้ขึ้นป .1 เร็วๆนี้ถ้าทำไปมันก็พัฒนาคงมันไปเองค่ะค่ะโอเคนะขอบุณทุ่ากับมัสการพระอาจารย์ค่ะสาธุคุณดีต่คุณดีเสียชาฮะบิใช่ไหมดีค่ะการพิธีการพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ลูกเป็นโควิดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ตอนนี้เสียงยังไม่ไม่ไมาอะไรเจ้าค่ะแต่เป็นไม่ไม่ไมากเจ้าค่ะเป็นเป็นครั้งแรกอ่า<ม>เป็นครั้งแรกแล้วก็แต่ว่ามันมันเสียงไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจมูกเนี่ยหนูไม่ได้กลิ่ น, นประมาณสิบหกสิบหกสิบเจ็ดวันแล้วเจ้าค่ะ<ม>แต่จริงจมันมันมันก็ดีนะคะถ้าเอน้อมคิดในเชิงแบบธรรมะก็ นอกจากจมูกไม่ได้กลิ่นรสก็ไม่ค่อยดีก็เลยเออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ตัดกิเลสบางอย่างไ้เมื่อก่อนเป็นคนชอบกินมากค่ะได้กลินหิวอะไรก็ชอบตอนนี้ก็เหมือนกับสัมผัสพวกนี้มันมันลดหายไปเลยเจ้าค่ะมันก็แค่ติดที่ปลายลิ้นเท่านั้นพอเข้าไปในปากมนก็หมดมันก็หมดค่ะค่ะตอนแรกๆก็หูดหงิดนะเจ้าค่ะแล้วก็พอสักสามสี่วันก็เลยรู้สึก คิดถึงสิ่งที่อาจารย์เคยสอนอ่านหนังสือก็รู้สึกว่าเออมันมันควบคุมไม่ได้ช่คุะม่ต้องการไม่ที่ต่อไปแล้วก็จะเสร็จรูปเส้นกิ่งรับไม่ค่อยได้ใช่จ้ะคะก็เหมือนกับเออมันคอยทยอยมาเตือนเราเรื่อยๆว่าเออก็ดีเหมือนกันก็ไม่ต้องไปคิดมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันหายก็หายเองไม่หายก็อยู่กับมันไปนะคะอย่าไปดูกับมันจะพะ โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีจ้ะค่ะน้องกาดจาา้ะ <Okay. S 2> ค่ะโอเคค่ะคุณตุลส์จ้าสุวรรณเนี่ยชื่อใครเหรอเปนมตุลกลับธรรมส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์เอาชื่อใครมาใช้ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นชื่อตุลค่ะพระอาจารย์ที่นี อันอันนี้ใช้ไอโฟนมันก็เลยจำชื่อตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ก ส, สวนเนอะนำสกูลเจ้าค่ะา ส, าสวเ <laughs> จา้าค่ะเอ่อเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะพระอาจารย์างานถึงเหมือนเดิมนะเข้าเวงเอ่ออยู่พอดีทำงานประมาณทุ่มกว่าค่ะอันนี้ก็เลยรอใหอ้เข้าซูมกับพระอาจารย์แล้วถึงจะกลับบ้านเจ้าค่ะเค อาสาธุเจ้าค่ ะ, ะเข้ามากราบอ่ะอ่าสวัสดีค่ ะ, ะคุณกลิตราเนี่กลาวนามนสัส ก, การเข้าหลวงพอ่อก็ตรงก็พยายามจะ้ธรรมะปรับในชีวิตประจําวันเหมือนเดิมครับก็ก็สังเกตอารมณ์ตัวเองว่ามีความทะเยอทะยานในทางโลกยังไงก็จะใช้ธรรมะตัวใดในการดับก็พยายามอะไรอ่ะดูร่างกายตัวเองว่ามันไม่เที่ยงบ่อยๆมันจะได้แบบ ลดความทะเยอทะยานทางโลกอะไรแบบความมั่นคงในชีวิตอะไรอะไรต่างๆในโลกมือแค่คิดมือก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบเราก็อยู่กับทางยามฟังธรรมมันก็ช่วยส่วนนี้ได้ครับหลวงพ่อก็แต่ว่าเรื่องแบบนี้คุยกับพ่อแม่หรือว่าคุยกับญาติหรืออะไรเงี้บางอย่างพูดไปก็โดนดุฉะนั้นก็ไม่ไม่พูดดีกว่าครับคนละคนละแนวครับเขามยังมองในทางโลกเรามองในทางธรรมนันเป็นกัน ครับก็ก็ยิ่งเหมือนยังไงเหมือนพอนั่งสมาธิมันก็จะไม่ใช่ตอนนั่งสิพิจารณาธรรมหรือว่าแบบมันจะเห็นความโง่ของตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆแบบบางอย่างเราไม่เคยคิดว่าเราโง่แต่พอเราแบบพอมีสติปัญญามาอ๋อเราโง่ส่วนนี้นะอ๋อมันโง่เยอะกว่าฉลาดมันก็เลยอ๋อมันก็แปลกมันก็ยิงรูมากยิงดูว่ายิงโง่มาก ยิ่งรู้ว<อ>่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระรัตนชลากรเรามากาปใช่ครับก็นั่งพิจารณาทำบางทีก็ร้องไห้รู้สึกโอพระเจ้านี่เลิอดเลอขนาดนี้ได้หรอเนี่ยไม่น่าเชื่ออะไรแบบคิดอย่างนีโอ้ทาไมเลือดเลอได้ขนาดนี้มันแบบอเมซิ่งนะครับหลวงพ่อก็เลยแบบก็ศรัทธามันก็อยู่ในหัวใจ ก, ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็พยายามต่อไปครับ มาขอกำลังมาเห็นหน้ามาคุยกับหลวงพ่อเป็นกำลังใจครับว่าเราเป็นติดมีครูครับพยายามปฏิบัติไปนะครับคุณแคร์ใช่คุณแคร์ต่คุณแกอยู่ที่ไหนกับอาจารย์ค่ะที่ไหนเลยตอนนี้หนูหนูบ้านอยู่เมืองนนทค่ะเมืองนนท์มีอะไรั้ย ขออนุญาตกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเอ่อคือว่าสำหรับห น, หนูก็ได้ปฏิบัติทางธรรมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะถือศีลอุโบนสถทุกวันพระแล้วก็ในปีนี้ก็ได้มีโอกาสถือศีลแปดในช่วง ในช่วงวันเข้าพรรษาค่ะก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะก็เพราะว่าทนความหิวไม่ไหวก็ได้แค่หนึ่งเดือนค่ะแล้วกอ็อยากจะขอเรียนถาม อ, อาจารย์ว่ า, าถ้าวันในวันหนึ่งที่หนูรู้สึกได้ว่าหนูทาภารกิจทางการงานที่ได้รับมอบหมายาเพียงพอแล้ ว, ว่ค่ะในอนาคตนะคะถ้า ปัจจุบันหนูก็ได้มีโอกาสถือในสันชีกในบางเวลาแล้วก็มีบทเนคขมะบ้างคะ่ะแล้วก็มีความสงสัยว่าถ้าในอนาคตนะคะหนูว่ามองว่าหนูอาจจะไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็มองว่าถ้าเรามุ่งปฏิบัติธรรมไปจนเราไม่เกิดอีกแล้วก็น่าจะดีสําหรับชีวิตเราชีวิตหนึ่งถ้าในอนาคตเออ่หนูไม่แต่งงานหนูอยากจะขอยันถามว่าหนูจะสามารถปฏิบัติธรรมโดย คือศีลแปดอยู่ที่บ้านหรือว่า อ, อหนูจะต้องไปบวชแบบโกนผมอยู่ที่วัดค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราพร้อมแบบไหนเพิ่งต้นแล้วก็เอาที่บ้านไปก่อนแต่ต่อไปแล้วถ้าเราก้าวหน้าเราก็อยากจะไปบวชเองก็ค่อยกค่อยๆไปบวชแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรองเรื่องการบวชอันนี้หัดพยยังฝึกหัดปฏิบัติที่บ้านให้ได้ก่อนคือศีลแปดแล้วก็ฝึก สตินั่งสมาธิให้ได้ทั้งวันก่อนค่ะอาจารย์คะถ้าวันนึงหลังจากหนูกเกษียณแล้วในอนาคต น, นะคะถ้าหนูมีชีวิตอยู่ถึงนะคะถ้าหนูเกษียณแล้วแล้วหนูหนูอยากจะมุ่งทางทำต้องไม่จอต้องโกนผมบวชที่วัดไหมคะหรือว่าอยู่บ้านก็ทำได้เหมือนกันก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้นับแต่เราเนี่ ถ้ า, าเราจะชอบอแบบไหนเราก็ไม่ทำได้ไม่ต้องปงผมก็ได้แล้วใหม่ๆก็ไม่ต้องอ่ะแต่ต่อไปมันอยากจะปงเองคนะยิ่งมันก้าวหน้าเท่าไหร่ผมมันยิ่งช้างลงไปเรื่อยๆค่ะาขอบคุณค่ะหมดคำถามค่ะไม่ต้องคำวเรืนน่องปงผมตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีใครมาบังคับให้เรากรอนผมนะเช่นมันอยู่ที่ความสมัครใจของเราเองคนที่เขากรอนส่วนใหญ่ต้องกรอนด้วยความสมัครใจนะ เราก็รู้ว่ามันเป็นทาร่ามีผมมันต้องคอยสะคอยหวีคอยอะไรเราโกนตั้งแต่มันสบายหมดทาร่าไปนี้ขอบพระคุณค่ะคำสอนของพระอาจารย์ค่ะนะโอเคนะอันดีคนชนันทิสาต่อแอนเกย์ญี่ปุ่นเนี่ยจันทิสาอากเร ก, การ่าจานค่ะเป็นเป็นไม่สบายคนนะั้นเล อันนี้สวายค่ะเข้ามบได้ค่ะวันนี้ต้องมานอนฟังพระอาจารย์ป็นโควิดหรือเปล่ายังไม่ได้ตรวจเลยค่ะพระอาจารย์พอ้ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปที่พีซีอาร์ค่ะมากราบอาจารย์เชเขอให้ไม่ให้ดูแนะเบาๆพอพอหอมปักองขอจะได้มีแรงปฏิบัติ เรักกันนะเวลานั่งใจให้ดีกว่านะค่ะกับขอบคุณอาจารย์เจ้าค่ะแต่ที่คุณพงมันพงตัดขดสุขการครับอาจารย์ครับครับวันนี้ผมมีคําถามเรื่องเรื่องเรื่องอุปท า, า, านครับอาจารย์ครับคือสิ่งที่เร า, ย, ายึดอยู่ครับอาจารย์แต่ว่าเรายึดด้วยมูลเหตุที่มีปัญญาด้วยว่าอยู่ในทางของการดับทุกข์ อะไรแบบเนี้ยครับมันมันถือว่าเป็นอุปทานเหมือนกันไหมครับรอาจารย์ครับถ้าเรายึดมักรแปดนี่ก็มันไม่เป็นอุปทานเต่มันไม่ว่าเป็นเป็นสาระอ๋อยึดเด<ส>ินสาระไปที่เพ<อ>ิเราครับอาจารย์ครับแล้วถือว่ายัางอย่างทำเนี่ยเราเหมือนเรายึดยึดในทำยึดในการกินอาหารดั้มเดิ ม, ดมนี้มันเดี๋ยวแต่ว่าคือจุดประสงค์ของการยึดอะไรแบบนี้เหมือนผมก็ไม่อยากที่จะหลงไปในความอร่อยเนี้ยก็คือถือว่าโอเคใช่ไหมครับอาจารย์ ก็กินตามมีตามเกิดไปไม่ไรก็กินไปไม่ไปจู้จี้จุกจิกคำเรื่องการกินพอดีพอดีผมจะมีแบบช่วงนี้ผมจะทานอาหารแบบซ้ำๆเดๆิมๆทุกวันนะครับแล้วก็มันมีคนก็บอกว่าเดี๋ยคุณเป็นคนยึดหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นคนกินอะไรดําเดิมมาอะไรเงี้ยผมก็เลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันช่วยให้จิตใจเราฆ่ากิเลสได้ก็ต้องยึดมันธรรมะเป็นเหมือนยานครับอาจารย์ครับ ร, ระไม่เสียหายในะนะการยึดธรรมะถ้ากินทําไปเพื่อป่ากิเลสนี้ก็ทําได้ครับพระอาจารย์คารมาเฉันทางความอยากในรสชาติของของอาหารชอ บ, บกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็เลือกหาอาหารที่เราไม่ชอบกินดูไปก็ได้ครับพระอาจารย์ครับที่นี้คือผมก็พยายามที่จะสร้างความเคยชินนะครับเหมือนอยากเชื่อว่าถ้ามันมีอะไรมากระทบเราหรือทําให้เรากระเพื่อมเนี่ย ถ้าเหมือนเราเหมือนเราจะมีปัญญาที่คอยรู้ว่าเนี่ยกระทบไปบ่อยเดี๋ยเดี๋ยวมันจะเป็นสุขนะกระทบไปบ่อยมันจะเป็นทุกข์นะทีนี้เหมือนเวลาที่ผมมันสุกแล้วครับ อ, อาจารย์ทีนี้เเหมือนเราก็จะธรรมชาติคือเราก็จะไปยึดมันใช่ไหมครับแต่พอบางทีแบบสุกนั้นหายไปเราก็ทุกข์เหมือนเดิมมันก็มีสุขมีมขมมขมทุกข์ผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นสุดท้ายแล้วชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องมีอุเบกขาควรจะมีอุเบกขาตลอดเพื่อที่จะไม่หลงสุขกว่าหลงทุกข์เลยใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่เพราะอเบกานก็เป็นความสขอีกอันหนึ่งที่เป็นความสุขที่ไม่มีวันจืดจางเปลี่ยนแปลงครับพวามาสุขในรูปแบบหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการจืดจางได้ครับพอาจารย์ครับทีนีเ้เวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเหมือนเราก็แค่รู้แบบที่อาจารย์หมอคือรู้เฉยมันมันจะได้ไม่ปรุงเป็นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ยามีดีร้ายก็มันความหมาย อยพาไปร่างช่างโกนหรอกมันก็มันก็มันต้องมีอุเบกขามันถึงจะไม่ร่างช่างโกนได้อย่าไปเสียแรงไม่ได้ไปสอนมันบอกว่าอย่าไปล่างอย่าไปช่างไม่ได้มันฝึกสมาธิบ่อยๆครับพระอาจารย์ครับช่วงนี้คือผมก็จะใช้ร่างกายบ่อยมากเพราะว่าก็เหมือนเหมือนตัวน้ําหนักมันก็ลดช้าขึ้นนะครับก็เลยสังเกตว่าเวลาที่เราใช้ร่างกายนี่เหนื่อยมากๆความคิดมันจะไม่ค่อยฟุ้งครับผมก็เลยว่าเฮ้ยมันก็มีมันก็มีผลกันครับ แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกันอย่างเช่นว่าตอนนั้นผมแบบผมผมเหนื่อยและหิวมากครับเหมือนเหมือนร่างกายมันทุกข์นะครับแต่ว่าใจเราก็มีความสุขผมก็เลยเอ้ยมันแปลกๆว่าแบบร่างกายมันเครียดมันทุกข์แต่ทําไมใจเราแบบไม่มีเป็นๆอะไรกับมันบางทีเหมือนเราเปิดเอร์เย็นร่างกายเราสบายมากเลยแต่ใจเรามันก็แบบหดหัวเลยผมก็เลยว่าบางทีมันก็เหมือนก็คอลแลบกันนะครับไม่แน่หลับใจเราบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าร่างกายเป็นเรื่อไม่เป็นอะไร ใจเราสามารถสุดทุกได้ทุกทุกเวลาถ้ามีกิเลสมันก็ทุกขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะกายจะทุกนิ้วไม่ทุกกระตาครับโอเคครับครับถ้าใจเราทุกนิ้วแสดงว่าเรามีกิเลสเราไม่มีสติแล้วเราต้องจนึงสติกลับมาครับสาจาย์ครับขนาดสุดสัปดาห์ครับอาจารย์ครับคือมันเป็นมาสองครั้งนะครับสัปดาห์ก่อนคือว่าเวลาผมนอนเนี่ย อยู่ดีผมเหมือนรู้ตัวแล้วว่าตัวเนี้ผมนอนอยู่นะแล้วเฮ้ยเหมือนสมาธิมันเป็นความรู้สึกเนี่ยผมนั่งสมาธินะครับมันจะวั๊บปั๊บโผล่ๆว่าโอ้โผมก็จําได้ที่มันนสมาธินี่ว่าแล้วเหมือนผมนอนสมาธิโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจารย์ทีนี้พอมันเข้าไปแล้วปุ๊บแล้วมันมันอิ่มแล้วมันแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วผมก็นอนไม่หลับเลยตื่นมาตีสองเนแล้วมันก็ตาค้างไปเลยผมเลยมองว่ามันเป็นร่างกายของผมหรือว่าเหมือนเหมือนผมฝันว่าผมนั่งสมาธิหรือมันเป็นปกติ มันไม่เป็นจิตของเราเป็นจิตของเราครับบางทีจิตเราฝันแล้วบางทีเราสติตเรายังไม่ไม่หมดมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังฝันอยู่กันได้ครับแต่ว่าพ อ, พอผมตื่นมาแล้วผมก็ไม่ง่วงเลยผมก็เลยเดินจงกรมต่อแล้วก็ไ ด, ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ง่วงเลยไม่ต้องไปกังวลว่ามันเป็นเพราะสาเหตุไดมันเมื่อมันไม่ง่วงแล้วก็ปฏิบัติต่อไปครับครับอาจารย์ครั บ, าารบก็คําถามวันนี้มีเท่านี้ครับ ขอบคุณไปที ta, ่เพื่คุณตาคุณเกตบัณฑิตการอำราการครับใช่ร้ะวันนี้คนเยอะใช่ไหมครับวันดีครับบ้านครับครับก็ไม่มีอะไรครับเอก็จะแค่บอกว่าเออสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีไปเชียงใหม่ครับแล้วก็ได้ไปกลับ หลวงปู่บัวเกตครับที่วัตาดาราพิรมครับครับท่านก็แน่นแนใช่ครับแล้วก็เหมือนเอ่อไปก็คือช่วงสี่โมงเย็นครับคือพาคณะไปคือไม่ได้แพนว่าจะไปครับแต่บอกเอออยากจะแวบวันนี้ครับและพอดีเขาก็ตั้งใจอยากจะไปกราบหลวงปู่กันก็เลยแบบได้เจอครับแล้วว่าหลวงปู่ก็เหมือนลุกศิษท่านพาเดินรอบๆครับรอบๆ เหมือนท่านออกกับวักลกายออกมากายครับแล้วคนที่เดินทางบรรยากาศใช่ครับ<ม>ก็เลยได้ร่วมเดินกับท่านแล้วก็ได้กราบท่านครับแล้วก็มีคุณลุงของทีมจิตอศาสาดาถาอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยเหมือนโลกมันกลมครับก็ได้เจอกันครับ<ม>แล้วก็อีกวันก็ได้ไปไปกราบนรัตการพระบาทศรีรอยครับ ก็โชคดีว่าเหมือนไปตอนช่วงเงย็นแล้วก็คนที่ดูแลก็ชวนล้างพระบาทที่นั่นด้วยครับ mm hmm. ก็เลยเหมือนไปคราวนี้ก็ได้อะไรมากลับมาครับอาจารย์ hmm. เหมือนไปครับก็ได้ทํามาอาจารย์ด้วยครับทําให้แบบช่วงที่ขึ้นเครื่องมันจะมีช่วงแบบเราลืมเอกสารมาแต่ว่ารู้สึกว่าเอกสาร ล, ลูกครับลืมพวกสูติบาตรไปกับทะเบียนบ้านไปแต่ก็ไม่ได้ทุกครับก็แบบค่อยๆทําตามสเตปไปมันก็ผ่านไปได้ครับอาจารย์ <Okay. S 2> ครับก็ไม่มีอะไรครับโอเคนะนครับที่ท่านตอบไปคุณคุณตายเมืองคารฝรั่งเศสนะคำว่ า, าง่ายขึ้นหอนอยอชพูดได้คุณตายเห็นมคะโอเอน้ำกราบคุณพระอาจารย์สบายดีไหมคะนานแล้วไม่ได้เข้ามากราบค่ะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะ ค่ะตอนนี้หนาวมากค่ะจ่าแทนจะกลับเดือนหน้าค่ะเดือนมกราค่ะมกราเนะค่ะแต่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ตั๋วแพงค่ะอ่าราให้มันพอดีบ้ะอาจารย์สบายดีนะคะคิดถึงค่ะไม่ได้เข้ามาเลยเพราะว่าทํางานค่ะพระอาจารย์ทํางานจันทร์ถึงวันเสาร์เก้าโมงถึงหกโมงเย็นทํางานเยอะค่ะอืมแต่ไ่าแต่ว่าช่วง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำงานแล้วค่ะก็เลยว่างค่ะตอนอตอนี้ไม่มีใคไรไปทเที่ยวแล้วนดาวนะหนาวค่ะก็จะอยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ค่อยได้ออกนอกจากไปทำงานถึงจะออกค่ะวันนี้ก็จริงๆเขาว่าจะมีฝนนะคะแต่ก็วันนี้ก็มีแดดนิดหน่อยค่ะแต่พรุ่งนี้คงฝนวันค่ะโอเคเดี๋ยวจะกลับเดือนหน้าพระอาจาร์ ยมจะซื้อชากับช็อกโกแลตไปฝากนะคะได้ค่ะชาทุกชาค่ะก า, า, าบลานะคะพระอาจารย์กาไม่มีอะไรแล้วค่ะโอเคไปมีคนลาต่อเลยเป็นทุกมี<ด>คำถามทั้งหมดหกคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ค่ะคำถามแรกจากคุณสง่าอาจารย์ครับ เราทำบุญบ่อยๆวัดเดียวหรือเดินสายทำบุญหลายๆวัดหลายๆที่ดีกว่าครับก็แล้วแต่เราได้ทั้งนัน้นการทำบุญคนเราไปที่วัดที่เขาขาดแทนไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนทุกอย่ากจะดีกว่าจะได้ประโยชน์ไปทำบุญกับที่ที่เขาไม่เดือดร้อนมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่สําหรับทางรับแต่ผู้ให้ทําที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมด แต่ถ้าอยากจะได้ได้ทั้งทั้งผู้ให้นะผู้รับอผู้ให้ก็ต้องพิจารณาโดยที่ไหนเขาอดอยากขาดแคลนลาบากก็ไปทําที่นั่นเขาจะได้นําประโยชน์จากการเส่การทําให้การให้ของเราแต่ถ้าเราเลือกไปทําที่วัดที่มีเหลือเฟือก็ได้ถ้าเราศรัทธาวันนั้นเราก็ได้เหมือนกันแต่ธารมะเขาก็ของที่เขามากเขาก็ต้องเอาไปแจกจ่ายต่อไป ก็แล้วแต่เราได้ทั้งนั้นอน่ะปริมจะมากมาณน้อยมันอยู่ที่การทําของเราว่าเราทํามากเราทําน้อยคําถามต่อไปจากคุณพันธิว่าอ่านในหนังสือหลวงตาที่เทศสอนลูกศิษย์ในขั้นสุดท้ายว่าถ้ามีจุดหรือต่อมผู้รู้นั่นแหละคืออวิชชาแปลว่ายอย่างไรครับไม่น้อยไปถึงจุดนั้นก่อนแล้วก็จะรู้เอง ตอนนี้อธิบายไงก็ไม่รู้หรอกไม่ต้องกังวลตอนนี้เอาเรื่องสิ้นห้าให้ได้ก่อนสิ้นแปดให้ได้ก่อนนะจุดดาวอวิชานี้มันเหมือนเหมือนกับอยู่ดวจันทร์นู่นตอนนี้เรายังอยู่ที่โลกนี้เลยหาจรวดให้ขึ้นจากพื้นพื้นโลกนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปกักวงวลการเรื่องจุดตาวที่มันอยู่บนดวงดาวดวงจันทร์ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแบมแบมหมอบอกให้หยุดยาเรารับคําก็หยุดไปแต่วันก่อนมีอาการเลยกินอย่างนี้เป็นการโกหกไหมคะก็ตอนที่เราไม่กินเราก็ไม่ได้โกหกนะแต่ตามที่เรากินแล้วก็แล้วก็เราก็แสดงว่าเราไม่เราไม่เชื่อหมอแล้วก็ไม่ได้ฟําหรอแล้วนี่จะว่าโกหกหรือไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน หมอสั่งเราทำตามหมอก็แสดงว่าเราเราเชื่อหมอถ้าเราไม่ทำตามหมอสั่งก็ไม่ได้หมายความเราต้องโกหกจะมาไปก็สิ่งเดีนวเพียแต่ว่าเราไม่ทำตามหมอสั่งขอเราเองคิดว่าไม่น่าถือว่าเป็นการโกหกันเป็นการไม่ทำตามคำสั่งของหมอคนที่จะรับโทษก็คือตัวเรานะี่ยนะถ้าไม่กินยาตามหมอสั่งโรคภัยก็อาจจะไม่หาย คำถามต่อไปจากคุณแฮปปี้ออฟไลฟ์ทุกใจมากทำอย่างไรครับก็ทำทำใจให้สงบเลพุโทโธไปพุโทโธไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวใจสงบมันก็หายทุกอางคำถามต่อไปจากคุณนาวานาวีพระอาจารย์คะหนูฝันว่าตัวเองจะตายก็ไม่กลัวไม่ตกใจไม่เศร้า ปล่อยให้ตายไปแบบมีสติเห็นอนิจจังฝันแบบนี้อยู่หลายครั้งก็ทำใจได้ทุกครั้งแต่เมื่อเร็วๆนี้หนูฝันว่าแฟนไปมองหญิงคนอื่นฝันติดต่อกันหลายครั้งก็โมโหทุกครั้งมีสองคำถามค่ะกราบขอความเมตตาข้อที่หนึ่ง หนูสงสัยว่าร่างกายเรากิเลสมันควรจะรักจะห่วงมากที่สุดไม่ใช่หรือคะแต่นี่ทำไมถึงรักห่วงแฟนมากกว่าคะมันก็ทั้งสองอย่างกันก็รักเหมือนกันแต่ ว, ว่าเราปรองเรื่องร่างกายเราได้ก่อนแต่เรื่องของแฟนเราอย่งปรองไม่ได้เพราะเราไม่ทำการบ้านตรงนั้นนรานจะทำบ้านการบ้านอยู่ที่ร่างกายเรามากกว่าแล้วต้องไปทำการบ้านที่ที่ร่างกายของแฟน แฟนเราทั้งวันเขาอาจจะทิ้งเาไปไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึก็ได้หมดแล้วเนี่ยคถามที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันคือหนูจะต้องทําอย่างไรอยากแก้ความทุกข์ใจนี้ให้ได้เจ้าค่ะก็ต้องมองว่าแนะแฟนเราก็เหมือนร่างกายของเราทั้วันนี้ยก็ต้องจางเราไปต้องพิจารณาร่างกายของเราด้วยเขาอาจะไม่ได้อยู่เขาอาจจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอด คำถามสุดท้ายจากคุณพันธิวาพระอาจารย์ตอนปฏิบัติธรรมที่บ้านปาาพระอาจารย์เคยอดนอนหรือเคยอดข้าวสูงสุดกี่วันครับ อ, อันนี้ต้องขอขออภัยนะมก็อยากจะพูดเท่าไหร่เรื่องส่วนตัวเล็กน้อยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สำคัญอะไร ทาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราดีกว่านะวันนั่งนี่ยคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะอาทนตี์คุณหน่อยชัใช่ยันทีมาสายนี้ก็าจะจบแล้วเนี่ยขออภัยเจ้าค่ะพอดีอติดธุระทางโลกแต่ก็ฟังฟังอยู่ข้างนอกเรื่อยๆเจ้าค่ะคแล้วก็ทําตั้งใจปฏิบัติทำเจริญสติตลอดเจ้าค่ะรู้ รู้ทุกอย่างเอมอย่างถ้าตอนเนี้คือที่ตัดไม่ได้คือเวทนาเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกเวท น, นายอย่างเดียวแล้ยังมีตรวเยื้อยที่ตัดไม่ได้เขาฟุ้งเฟือยก็ตัดไม่ได้ฟุ้งเฟือยก็พอตัดมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอย่างคืออย่างถ้าเรื่องอื่นกระทบภายในใจอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือคนอื่นอ่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลย สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะยากตรงที่เราภาวนาเวทนานี่แหละเจ้าค่ะถ้าต้องพยงงงายามทรบ้านบ่อยๆไม่ยากสับนันง่งกับความเจ็บบ่อยๆเนี่ยเจ้าค่ะอ่าเข้าสมาธิแล้วทีนี้ตื่นอย่างเช้ามายเนี้ยก็เหมือนปวดหัวก็ยังไม่หายเจ้าค่ะแต่ว่าตอนเข้าสมาธิไปอ่ะก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็คือแต่ พอเช้ามาไม่หายก็สุดท้ายก็ต้องกินยาอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะต้องต้องเข้าสมาธิเรื่อยๆก็แล้วแต่เราจะใช้ยาแบบไหน <c oughs> จะใช้ยาสมาธิก็ได้จะใช้ยาที่หมอให้กินก็ได้นะ แ, แต่เราจะเลือใช้ยาได้ยาสมาธิได้มันก็ดีกว่าอืม <c oughs> แต่ว่าเรื่องทางโลกยังต้องทําต่ออยู่ไหเจ้าคะก็เลยต้องใช้ยาทางหมออ่าก็ทําไปก็ใช้ไป อ๋อถ้าอย่างนี้เราพิจารณาได้แบบนี้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถใช้ยาทําสมาธิได้แล้วว่าเราลองใช้ยาทางทางโน้นไปก่อนเจ้าค่ะถายทางสมาธิมันดีกว่าดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ได้คือแบบเหมือนหายไปเลยเจ้าค่ะยังก็ต้องพยายามพยายามฝึกสมาธิให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าครับอ่า เหมือนตอนท่องพุโทโธเราจะต้องจะต้องเห็นภาพด้วยไม่ต้องไม่ต้องให้อยู่กับคําว่าพุโทโธเลยก็คือเห็นภาพพุโทโธถูกไหมเจ้าค่ะไม่ต้องเห็นมันไม่ได้หนก็ได้นะแต่แต่ตหน่อยไม่เห็นไม่ได้มันจะคิดไปเรื่องอื่นเจ้าค่ะก็ได้ไม่เห็นก็ได้ะอ้โอเคเจ้าค่ะนี่เท่านี้เจ้าค่ะ ค, ค, ค, ค่อยๆทําไปเดิน <laughs> ไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆ <laughs> อางทีคือสองคือเว้นดีกับไม่ได้เข้าหน้าไหนนะใช่ตอนแรกหนูไหนตั้งใจจะเป็นแบบเหมือนกระต่ายอ่ะเจ้าค่ะคือกระโดด<ช>แต่ว่าอา<ช>่าพอกิเลสเผอเราก็จะเอาแต่ว่ากิเลสมันย้อนมันจะย้อ น, นแรงเ<อ>หมือนกันใช่เจ้าค่ะก็เลยต้องค่อยๆทําเหมือนที่ผอาจารย์บอกโอเคได้แล้วค่ะขอบคุณผ้าจารยนมากค่ะฟังข้างนอกค่ะเดี๋ยวเข้ามาทุกอาทิตย์ไม่เป็นไรละเข้ามาก็ได้ไม่เข้าก็ได้ เีาานัวอย่างวิจัยหนึ่งก็ค่ะถึง ก, ก๊าฟดอาฟสุราธานีครับได้ดาาได้ได้รับที่อาจารย์ฝากมาแล้วนะครับ<อ>เราไม่ได้ฝากนะเดี๋ยวคนจะขไไเข้าใจเองันนี้มข้าขอแล้วก็ขอขอผ้าเลยขาผ้าเลยขาก็มีข เ, ขขเขากา็ให้ไป คือคือเพื่อนกลุ่มนี้ครับเป็นมีประมาณห้าหกคนครับเขาเขาจะตักบาตรพระอาจารย์คือให้คนหนึ่งไปใส่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้แบบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยแต่เขาศรัทธาพระอาจารย์เป็นไวรุะเขารวมเงินกันครับแล้วก็ไปตักบาตรประมาณเป็นปีละครับปีละครับแล้วก็เรื่องเรื่องที่มีก็คือ อ๋อน้ําหนักลดลงไปสองกิโลแลครับก็บางครั้งก็ใช้สติบ้างปัญญาบ้างแต่ว่าสมาธิไม่พอก็สู้กับมันแล้วก็ได้บทพิจารณาหารว่าเราย่อมพิจารณาแยบคลายแล้วบริโภคอาหารเพื่อไม่ให้เกิดพลังทางกายแต่เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งการกายนี้เราทําเพื่อเพื่อระงับทุกขเวทนาเก่าแล้วไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามามาสอนใจครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ ได้อยู่ครับได้อยู่สองกิโลครับแล้วพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารบ้างก็ได้ดอาหารนี้พอเข้าไปในปากแล้วมันถ้าครายออกมาก็ไม่อยากจะกินแล้วด้วยร่วมด้วยครับ <Convers> ations, ผมสติบ้างปัญญาบ้างครับสมาธิอ่อนครับ <acab cruise. S 1> ครับขอบคุณครับคือแไ ป, ไไปนี่คือวิาลพรคนสุดท้ายแลคืนนี้ กลาวถึงพธีการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอขอประทานโทษพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามาช้าพอดีเตรียมจัดของค่ะพระอาจารย์ผู้ที่จะไปบวชเร่ขม้าค่ะแปดวันค่ะอาจารย์มาอะไรค่ะมารายงานพระอาจารย์ค่ะเก็บของก็เลยเออเลยเข้ามาหาพระอาจารย์ช้าค่ะก็รีบเข้ามากลัวเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยววัดไปบวชที่ไหนเออวัดม่แหยงค่ะแต่เป็นสาขาสี่ของวัดม่แหยงหลวงพ่อสุรศักดิ์อาจจะค่ะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่กุงเทพอิสุยาเจ้าค่ะใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็วันวันพุธหน้ายังยังไม่เข้าสู่พระอาจารย์นะคะจะสุ่มเป็นอีกพุธหนึ่งขัดไปเจ้าค่ะอ่ามาแปดแปวันนะแปดวันค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับเราเอาเวลาที่สุ่มนะใช่ค่ะพระอาจารย์กลับนัวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะดีใจค่ะได้เจอพระอาจารย์นึกว่าไม่ผ่านแล้วเจ้าค่ะขอให้พระสบความสําเร็จนะค่ะพระอาจารย์ค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์กราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเค่ะอันนี้อภรณายังม่มาอธิษฐานะมีเพิ่มหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณออลานิชาน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการทําบุญทําทานสามารถทําได้ทั้งในออนไลน์และทําที่วัดได้บุญเหมือนกันไหมเจ้าค่ะพรุ่งนี้หนูเริ่มทํางานวันแรกขอพระอาจารย์ค่ ะ, ะถ้าเราทำน่าเมือนกัน มันไปนถึงผู้รับก็แสดงว่าเราก็ได้บุญนะจะทำด้วยด้วยตัวก็ได้ทําด้วยทางออนไลน์ก็ได้อเงินเข้าบาัชีก็ได้วันแล้วนะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณานะไปปฏิบัติ เพความสงบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด